ยเอเลินพ ร, ร ท, ท, ท, ท่านสาธุณชนพุทธบริษัตผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครสนใจอยากจะถามคำถามอะไรก็เชิญเข้ามาถามได้วันนี้เราก็ไปที่โตเกียวก่อนเช่นเคย มาชิกนี้ไม่เคยการเลยนะกลาบนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเปยังไงนัคุณล้วคุณว่อาจาร์ถามว่าเป็นยังไันไหมแต่วนน่เป็นยังไงอ๋อวันนี้ไม่ตือคะ่ะไม่ตือนะไม่สนนะแแแแนอแ้านหนึ่ง่วงอนง่วงคะ่ะเพิ่งกลับมาจากเกียวโตกันค่ะว่าอาจารย์ไปมาสาวัน ไปเที่ยวนะพาข่าวพาเด็กเขาไปเที่ยวผิดเทอมค่ะแล้วก็ไปโรงแรมค่ะอืมดีสนุกไหมอืมสนกุกครับสนุกนะอ่อดีลุงตาก็เคยไปนะเกี่ยวต่ อ, อมสมัยที่ยังไม่ได้บวชนะ โอ้สงบดีนะคะพระอาจารย์เกียวโตตอนนี้ไปพักอยู่ที่โอซาก้าแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงไปนานละห้าสิบห้าสิบปีแล้วมตอนนี้เดินทางไปเรียนต่อที่สารัฐอเมที่ตกไยที่โอซากาอ๋อค่ะพระอาจารย์เกียวโตไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ค่ะเมือนเก่จบค่ะจีวันมีวันวันเยอะ ค่ะรัดเดียวค่ะรู้สึกยังเงียบสงบเนีไม่เหมืนอนยังโ<ะ>อซาก้าโอซาก้าคนเยอะช่วงนี้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะพวกอยุโรปอเมริกาเยอะมากเลยค่ะอืมชาวจีนไม่ค่อยไม่ค่อยพบค่ะพบต่ยุโรปอเมริกาเยอะมากอจีนไม่ชอบมีปนบ้างช่วงก่อนหน้านี้เยอะนะคะแต่มามาพักพักนี้ไม่เจอเลยค่ะ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคนญี่ปุ่นก็ไม่เจอเจอแต่ฝรั่งพูดญี่ปุ่นไปนี่พนักงานขายบอกเอางงเนี่โอ้เิ่งได้ยินภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกวันนี้ค่ะได้มาทุกวันเมีอะไรไหมวันนี้ะวันนี้ไม่มีค่ะมากับสวัสดีปีใหม่ไทยพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากมีแต่ความสุขความเจริญนะสาธุเจ้าค่ะ อ่ไปที่จามจัดกันเจ้าที่กลับนมันสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ว่าส่งกันบ้านครับเออ่าส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วม้คนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมทนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วม้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อนอาศัยเ ร, เราทํากรรมอันใดไว้เป็นรุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทชื่อว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิ้ไป เราทั้งหลายควรทีจะลณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะเยอะพิจารณาทุกวันรึเปล่าพิจารณาทุกวันครับอืาพร้อมนะพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมก็ต้องแก่ต้องเจ็บอยู่ดีครับถ้าพร้อมก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่พร้อมก็จะทุกข์นะครับอยากจะทุกข์หรืออยากจะไม่ทุกข์นะอยาจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ต้องยอมพร้อมที่จะลับ แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายนะครับอืมแล้วร่างกายลองเป็นยังไงมีอาการ32ใช่ไหม <c oughs> มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่อในกระดูกมา้าหัวใจตับขังผืช ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเืยาในสมองศีรษะน้ำจีนน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงียวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำข่าข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำข่ายข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงืยวน้ำเลือด น้ำเหลือน้ำเสลดน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่บอดไตถังพืชตับหัวใจมา้าเยื่ในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็กฝนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหม แล้วทำไมไปเรียกว่าร่างกายเป็นเราน่ะอ่าหลงครับหลงเลยอ่าเราตัวเองเลยเราตัวเองว่าร่างกายเป็นเราอืเราหลงเราต้องใช้เราต้องเอาความจริงมาแก้พยายามนึกอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆว่าร่างกายนี้มีอาการท่าที่สองไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราเลยขอบค่ะ มันเป็นของที่พ่อแม่ให้ให้เรามา เ, เป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวหนึง่งเราก็เอามาตุ๊ ก, กตาตัวนี้มาเล่น ค, คอันนั่นเองอันเดียววันเดียวตุ๊ ก, กตาตัวนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่าอ่ามีอะไรอยากจะถามไหมจะมารายงานผลการ น, นั่งสมาธิครับเปานั่งทคยนหรือเล่านั่งทุกคืนครับ เกิวละกี่ยี่หอโมงเกินละสามสิบนาทีครับร <า S 2> แต่ <30 S 2> บางวันก็นั่งนั่งตอนเช้าได้ครับอ่าดีไหมนั่งวันดีไหมดีครับครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีครับอ่าดีกว่าเล่นเกมไหม่าดีกว่าเล่นเกมอย่างนี้ก็อย่าเล่นเกมเลยนะดีไหมนั่งสมาธิดีกว่าอ่อจะมีะรายรายงานเนะี่ย ก็คือเวลาที่นั่งสมาธิครับเวลานั่งไปเรื่อยๆครับมันจะรู้สึกเหมือนเบื้องลงนะครับแบื้อไปเรื่อยๆเป็นจังหวะแบบหลับหรือเปล่าไม่ได้หลับครับ<อ>ไม่หลับครับรู้สึกตัวตลอดเวลาเนะี่ยใช่ครับอืมอรู้เชยรู้ไปเฉยเฉไม่ต้องไปสนใจเรารใช้ใช้เราดูลองนวดดูนวดนวดใช้พุโทโธครับ ม, มันทำใช้พุโทโธด้วยไหม ก็ใช้พุทโธค่ะอ่าก็อย่าทิ้งพุทโธนะอะไรจะมาก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจรู้แล้วก็ปล่อยวางให้กลับมาที่พุทโธพุทโธไปได้เลยคับอ่าจนกว่ามันจะนิ่งก็จะว่างเย็นสบายปล่อยพุทโธได้พยายามทำทุกวันนะที่ว่าเป็นเหมือนการกินอาหารกินข้าว วันหนึ่งเราให้เราให้นัางกายวันละสามมือ้อเราให้ใจอย่างน้อยก็วันละมื้อก็ยังดีถ้าไม่ได้สองมือ้อสามมื้อก็เอาอย่างน้อยมือ้อนึงก็ยังดีนั <c oughs> ่นจะมีความสุขใจอิ่มใจอย <c oughs> ่ไม่คิดอยากจะเล่นเกมไม่คิดอยากจะดูหนังฟังเพลงพราะความสุขที่ได้จากมานั่งสมาธินี้มันเป็นความสุขที่ดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะมีอะไรอะ่าทักไว้จะได้มีรายงานด้วยครับอ่ามากเลยก็คือตอนที่นั่งสมาธิอะครับมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันเอ็นไปเอ็นมาครับแต่มันไม่ได้เอ็งจริงๆครับอย่าไปสมใจอย่างที่บอกบางทีมันใจเราหลอกเรวเองบางทีก็เอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปทางขวาบั่งว่มันเอ็นไปทางขวาแล้วขยับมาให้มันมาทางซ้ายอ่าประเด็นมันก็บอกว่า มันมันทางซ้ายมากเกินไปต้องกลับไปทางขวาไม่ต้องไปสนใจร่างกายมันจะเอ็นไปเอ็นมาหรือไ ม, ม่อย่างไรไม่ต้องไปให้จสิางสําคัญเวลาอยู่กับพุโทโธไปแล้วทุกอย่างจะเล็บทุอยากจะดีเองน <c oughs> <c oughs> ้าไมอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวการนั่งสมาธิของเราก็จะล่องนะไม่เกิดผลแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะเกิดผลให้เราเอง อะไรยังไเนั่งเราอยากจะลุกไหมมอยากจะดูนาฬิกาไหมถึงสามสิบนาทีหรยังไม่อยากตั้งนาฬิกาไว้หรือเปล่าอะไรยังไงตั้งนาฬิกาไว้ค่ะแล้วนั่งรอให้มันส่งเสียงดังไ้เมื่อไหร่จะดังสักทีเมื่อไหร่จะดังสักทีเนาะ นั่งไปไเรื่อยๆค่ะอยานน่าไปสนใจนาฬิกานะให้ตั้งสตินะ<ด> น, นั่งให้มีสติอยู่กับพุทโธอยา่าไปมีสติอยู่กับนาฬิกานะให้มีสติอยู่ในกลางถึงเวลายอย่งถึงเวลา ย, ย่งงายยงเอ๊ะทำมาวันนี้นานได้เกินเ น, <ด> น, นี่แสดงว่าไม่ไม่พุทโธแล้วนะริ่รมคิดปรุงแต่งแล้วต้องมาอยู่กับพุทโธไม่สนใจเวลานะ โอเคพยายมทำไว้นะอย่าเลิกนะ uh huh. ต้องมีสัจจะมีสัจจะอธิษฐา น, นจะนั่งทุกวัน uh huh. ถ้าวันไหนขาดต้องชดเชยเพรถ้าวันนี้ไม่ได้นั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องนั่งชดเชยสองสองเท่านั่งของวันนี้ uh huh. นั่งของวันทุกนี้ด้วยอ uh huh. อันนี้แนละ้วมันจะไม่กล้าขาดเนะี่ย ดีไหมค่ะครับอ่าโอเคนะที่างนี้ใช่ไหมขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าสาธุไปที่คุณบหมอพี่เชษเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายปล่อยวางด้วยการปฏิบัติครับ คือปล่อยว่างด้การปฏิบัติก็คือเราต้องปฏิบัติสมาธิเนี่ย่นั่งสมาธิจิตสงบจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างชั่วข้าวอันแรกของการปล่อยวางถ้าเราถ้าเราไม่มีสมาธินี่เราจะปล่อยวางไม่ค่อยได้ถึงแม้จะใช้ปัญญามันก็ปล่อยวางทางความคิดไม่ไม่ไม่ได้ มันต้องมีสมาธิเป็นตัวสนับสนุนเห็นเบื้องตอนการที่เราจะไปปล่อยวางทางปัญญาก็มาฝึกปล่อยวางทางสมาธิก่อนทางสมาธิยังจิตสงบนิ่งไปนดูเบกขานะนมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกิ่นรสปวดสะพ้าปล่อยวางลาบนโยนสรรเสริญ ส, สูงได้แล้วพอมันออกจากสมาธิมามันก็จะเริ่มมามยึดติดเหมือนเดิม ติดร่างกายติดรูปเสียงกลิ่นร่าติดล่ามยึดจัะลลเสส น, นั้นนะถ้าเราอยากจะปล่อยวางเราองใช้ปัญญาสอนให้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดถือมันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงการยึดก็หมายถึงว่าอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปนานๆไม่มีอะไรจะยให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ อพรามันเป็นขอไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ให้ความสุข ก, กับเราเดี๋ยวก็ให้ความทุกข์กับเราเอามันให้ความทุกข์กับเราเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งเราต้องอยากไปอยากให้มันเป็นอยู่กับเราให้ความสุข ก, กับเราไปเรื่อยต้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็สุขบางทีก็ทุกข์ บางทีก็มาบางทีก็ไปรามยศจะรเสริญบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมร่างกายเรามนกับางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บางวันก็ไม่ปวดไม่เจ็บมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอย่าไปแบ่มันก็ปล่อยวางมันทําในส่วนที่เราทําได้เช่นร่างกายอไม่สบายก็หายยากินได้หาหมอได้ ใจเราไม่ต้องไปพะวงว่าจะหายหรือไม่หายหายก็ดีไม่หายก็ดีอย่าไปทุกข์กับมันอันนี้คือการปล่อยวางขั้นตอนการปล่อยวางด้วยสมาธินั่งนั่งสมาธิทําจิตให้สงบแล้วจิตก็จะปล่อยวางาาร่างกายปล่อยวางทุงอย่างได้ชั่วคราวแล้วพออยากสมาธิมันก็เล่าล่ า, ลากลับมายึดติตพอเห็นร่างกายก็ยึดติด ปอยให้ลาบยึดสริเสริญก็ยึดติดอที่ต้องสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาจเจริญอย่างเดียวเพรมีทั้งสองส่วนมีทั้งจเจริญมีทั้งเสืริมเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ถ้าไม่อยากก็เจริญพอเขาเสื่อมเราก็จะเสียเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาจเจริญปล่อยให้เขาเสริญไป ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดียินร้าเจริญก็ไม่ยินดีเสื่อมก็ไม่ไม่เสียใจไวยให้มันไปตามความจริงของมันถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเจริญมันก็ไม่มันก็ไม่เสียใจเวลามันเสื่อมเวลามันเจริญเราก็จะไม่ไม่ได้ดีใจแต่ถ้าเราอยากให้มันเจริญพอมันเจริญเราก็จะดีใจแต่พอมันเสื่อมมันก็จะทำให้เราเสียใจได้ เวลาออกจากสวัสดีมาก็ต้องพิจารณาทุกอย่างที่เรามาสัมผัสเกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นตายรักขั้ดตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองสิ่งของใดนน่างก็เป็นตายนักทั้งนั้นนต้องพร้อมที่จะรับสภาพการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เกิดขึ้นวันดีขึ้นนี้มันอาจจะไฟไหม้ขึ้นมาก็ได้บ้านเราเนี่ รถเราวันดีคนนี้อาจจะไปชนจบรถคันอื่นก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนยังต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้รับของขามไม่แน่นอนให้ก่อนแต่เวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เสียใจแต่ยัไม่ทุกข์ใจเพราะเราจะรับว่าอ๋ออันนี้จามอันน่าตาแต่เราไม่ทุกข์พรเราเราปล่อยวางปล่อยให้มัน ให้มันเป็นอนิจจังปล่อยให้มันเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไปยึดไปติดเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาใช่ไหมวีมัยก็อยากย้ายมันอยู่กับเราเป็นนานไม่เสื่อมไม่เสี ย, สยให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเป็นของเราอยู่ภายใต้คําสั่งของเราแต่ไม่มีอะไรมันจะอยู่ภายใต้คําสัง่ง ไม่มีอะไรย้าความสุขอย่างเดียวกระลังเดียวมันก็เปลี่ยนไปเพราะมันเป็นอนิจจังอันนี้คือปล่อยวางด้วยปัญญานี่ลนะคือการปฏิบัติมีแค่สองส่วนนี้เท่านั้นส่วนศีลก็เป็นผู้สนับสนุนทานก็เป็นผู้สนับสนุนให้เราได้มาปฏิบัติปฏิบัติสองอย่างนี้เองก็คือสมาธิกับปัญญาสมาธิกับเท่าการสติ อย่างเี้ยได้สมาธิปัญญาก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ใจักอายะสัตตีถ้าจะปล่อยวางได้โอเคเข้าใจนะครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์กับอขอบคุณอย่างสูงครับสา้าา่าไปที่คนทิพย์ินมาต่อ การอนุสการค่ะพอาจารย์วันนี้เข้ามากัาบพาอาจารย์ค่ะไม่มีคำถามค่ะปฏิบัติทุกวันตัวซีน่าวันนี้ได้เจ็ดข้อค่ะรอาจารย์ท่านทาบไหมโอเคข้อที้ยากนะข้อเย็นนี้ยากถ้ามีถ้ามีภารกิจก็อาจจะไม่ได้ถือค่ะอาจารย์ได้แค่เจ็ดส่วนใหญ่ะอาจารย์นะคะแข็งแรงนะคะขอบุณาธกการมีมีแปดไมมีห้าค่ะ มันก้มตึงก้มตึงวันอยู่คนหนมีวันวันมีวันพักบ้างไหมมีวันที่จะถือแปดบ้างไหมไม่มี ป, ปกติมันก็อยู่แต่ในในห้องพระจานทร์ก็ไม่ค่อยได้ลูกลูกก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วพระจานทร์ก็อยู่แต่ในห้องแ ล, แ ล, แล้วก็เท่เป็นแฟนแล้วมันห้าร์ยักินยังกิ ยังกินข้าวเย็นอยู่น ะ, ะกินแล้วกินหลายมื้ออยู่นะกินกินสอมื้อค่ะสองมือ้อ okay. ค่ะพยายามปรับสองมือ <Okay. S 2> แต่แบบที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็วันมันก็แบบเอามาซื้อไว้ตอนที่แบบว่าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนะคะอาจารย์ก็เลยก็เลยพอพระอาจารย์ถามมันก็มันก็จะไม่ได้ตาม ประมาณนะอันนี้ไม่ไม่ได้มาจับผิดนะถามเชชเอ่ออันนี้ก็ไม่ไม่ได้อะไรคร่ะตอบอตอบได้อยู่มันมเป็นปกติเองครับอาจารย์ได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ยอมรับสารภาพไปค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เลยแบบพอเวลาถามก็เลยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เ <c oughs> พราะไม่มีรังไม่มีรางวัลจะให้ทําได้ไม่มีรางวัลจะให้อ่าแต่แต่ถ้าไปถ้าไปที่ที่ที่ภาวนาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ ได้ค่ะแต่ว่ามันมันมันยังตอนนี้มันยังไปไม่ได้เพราะว่าไปผ่าตัดขาแล้วก็หมอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนมันมันต้องสองข้างกั่ลูกแบบไปข้างเดียวก่อนแล้วก็ทีเนี้ยหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าขีดแล้วก็จะเว้นระยะห่างให้ไม่ต้องลูกก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะแคมแปมไปภาวนาะ S <S เดี๋ยวจะแอบแอบลงชื่อเอาไม่ให้แฟนรู้นี่ค่ะครับค่ะคาับค่ะใบที่ตลาที่ว่าปนุษสากันติศยานามัสการค่ะอาจารย์าอาจาร์ค่ะอาจารย์ดู่อนอาจารย์ได้ยินชัดมได้ยินชัดเจนชัดเจดนคับอ่าตับด้าน สัปดาห์นี้ค่ะมีมีบททดสอบเกิดขึ้นนะคะเอะหนูได้เห็นการตายอยู่ใกล้ๆเห็นหมดตัวนักที่บ้านเขาเสียชีวิตนะคะพระอาจารย์หนูก็ไปก็โชคดีที่ทําใจเอาไว้ได้เอาไว้แล้วทุกทุกวันนะคะที่เจอเขาแล้วเขาก็ไปนั่งใก้ไปนั่งคือหนูก็ยังรู้สึกอยู่ะคะ่ะว่าอยากจะไปนั่งส่งเขาใกล้ๆอะคะ่ะแต่ไม่ได้สัมผัสตัวเขาให้เขารู้สึก อ, อไม่ดีค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าไม่อยากไปรบกวนเขาแต่อย่างน้อยก็พูดพุโทโธเบาๆให้เขาเผื่อว่าเขาจะได้ได้เกาะกระแสไปไม่ไม่แน่ใจหรอกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์แล้วกอ็อมันจะมีบ้างค่ะพระอาจารย์ที่รู้สึกว่า อ, อมันจะมีความเศร้าเกิดขึ้นตอนแรกใช้พุโทโธค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่เวิร์กตอนนี้มี เพิ่งเจอเมื่อเมื่อวานค่ะเมื่อวานสองวันเนี้ค่ะที่วิธีที่ใช้ work ก็คือว่าเวลาที่รู้สึกมันมีเวทนาทางใจเกิดขึ้นที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเศร้าเกิดขึ้นนะคะพอยอมรับขึ้นมาว่าไม่เป็นไรก็มันก็หายโล่งไปเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนหนูหนูรู้สึกเองค่ะว่าเวลาพูดโทรมันหนูพยายามจะขืนว่าอย่า อ, อย่านะอย่าอย่าให้อารมณ์นี้ออกมานะคะพระอาจารย์แต่พอพอมันรู้สึกเศร้าขึ้นมาก็ อ, อ๋อรู้ว่ามันเศร้าเสร็จแล้วมันก็ ว่าหายไปเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะเลยตอนนี้ใช้วิธีนี้ให้หายจากการไม่ทุกกับเรื่องนี้อยู่ค่ะก็ทำวิธีไหนที่ทำให้จู่หายก็ใช้ได้ค่ะก็ที่จริงก็ลองมาหลายวิธีค่ะพระพระอาจารย์ให้อาวุธมาไหลามาหลายอย่างค่ะหนูก็ลองไปแต่ว่าวิธีนี้ใช้แล้วเวิร์กแล้วก็ดีขึ้นมาสองวันแล้วค่ะส่วน นี่เป็นครั้งแรกค่ะได้ที่ได้เห็นการตายแบบใกล้ๆคือหนูส่งเขาจนถึงจนเขานิ่งแน่นิ่งไปเลยเห็นชัดและคราวนี้เห็นชัดมากๆเลยค่ะว่าเขาหยุดการเชื่อมต่อคือเขากลายเป็นตุ๊กตาหมาจริงๆอ่ะค่ะที่นิ่งเหมือนท่อนไม้มันยังอยู่ในใจค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาเห็นคนทุกครั้งจะมองจะมองช่วงนี้ค่ะจะมองเขาจะมองคนที่ในสภาพที่วันหนึ่งเข า, เ, ขาเห็นคนคนนั้นกลายเป็นศพแล้วนิ่งๆเป็นเหมือนตุ๊กตา ตลอดเวลาค่ ะ, อ, ะอย่าลืมดูตัวเราด้วยนะอย่าไปดูแต่คนอื่นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันทั้งนั้นร่างกายเขาร่างกายเราก็ต้องกลายเป็นตุกตาไปนนอนแข็งทืง่อแล้วธาตุไฟก็ไปก่อนจริงๆเป๊ะเลยค่ะเห็นเห็นชัดเลยค่ะธาตุลมไปก่อนไม่หายใจอ๋อใช่ใช่ค่ะทาดธาตุไฟ ถ้าปล่อยทิ้ไงไว้เดี๋ยวนะ้าถ้าน้ำมันก็จะไหลออกมาไหลจกนกระทั่งมันแห้งก็แล้วก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปทีเนี้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานก็ทำมาจากดินน้ำลไไมไฟเหมือนกันถ้ารู้ก็แยกไป พ, พร้อมๆกับท่านลมกพอท่านลมกับท่านรู้ก็ไป อรานกระไปตามเวรตามตามบุญตามกรรมต่อไปอ่ะตอนนี้ก็ทำบุญให้เขาติดติ ด, ต, ดติดกันเลยค่ะเผื่อเขาอยู่ในภพภูมิที่ยังรับได้อยู่ค่ะนี่ก็เป็นความบาราีที่ดีเป็นความเมตตาทำได้ก็ทำไปไ อ, อย่าไปหวังอะไรมันมากทำเท่าที่เราทำได้เพราะจะรับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เขาทำ ได้ค่ะพระอาจารย์ขอบขอบพระคุณธรรมะของพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าค่ะที่ให้หนูได้ใช้ในครั้งนี้ค่ะก็สัำคัญก็คือเราต้องไม่เศร้าโศกเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างกับกับการดับของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสมบัติเก้า ข, ของเงินทองอะไรมันต้องดับไม่ช้าก็เลยวันใดวันหนึ่ง บ้านช่องรถยนต์อะไรมันต้องผังมันต้องดับไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดเวลายั่งยืนตลอดเวลาถ้าเรายอมรับรับใจเราจะไม่เศร้าเราจะเฉยเฉยทำไงไนดะ้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่วิธีนี้ยอมรับความจริงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า บางทีก็มีแอบย้อนไปช่วงแรกๆค่ะแอบย้อนเพราะว่าเราทําอะไรพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าที่ทําให้เขาเจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็เสียเวลาเปล่าใช่ค่ะใช่จะไปคิดอะไรในอนดีตไปก็ผ่านมาแล้วดูปัจจุบันว่าเราเศร้าหรือไม่เศร้านั้นงการปฏิบัติให้ดูที่ใจเราลองการรักษาใจไม่ให้เศร้าไม่ให้ทุกข์กับอะไร ไม่ต้องไปคิดว่าทำผิดทําถูกแล้วมันผ่านไปแล้วนะผิดถูกก็คิดได้แต่มันก็ไม่นอกจากคิดมาเป็นบทเรียนต่อไปต้องทํำยังไงค่ะเอามาแก้ไขต่อได้ใช่ไหมคะในอั น, นันว่าวางแผนต่ออืมค่ะแต่ต่อมายแรกก็ต้องไม่ให้ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับเหตุการณ์อ่ะแล้วก็อีก อีกอย่างนึ่งที่พระอาจารย์เคยสอนหนูนะคะที่ว่ามีคีย์เวิร์ดอันนึงพระอาจารย์บอกว่าถ้าตัดแบบเหมือนตัดเรื่องที่เครียดะค่ะแต่ตัดแบบเศร้าๆอ่ะมันก็ไม่ขาดหรอกตอนที่หนูไปไปลองหนูเจอแล้วค่ะว่าตอนที่มันเข้าอุเบกขาะค่ะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมาพอแกปัญญามันเกิดมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันหายไปเลยหนูเลยไปเจอค่ะว่าก่อนนั้นนั่นเอ๊ะทาไมเราตัดไม่ได้หนูเจอแล้วค่ะว่ามันเป็นจิมันเป็น ความขุ่นมัวเล็กๆอะค่ะที่เราไม่เคยเจอเขาแบบเราไม่รู้ตอนแรกเรานึกว่าเรารู้สึกปกติแต่ตอนนี้พอออกจากอุเบกออกมาแล้วจิตมันเป็นอุเบคาจริงๆหนูเริ่มรู้แล้วค่ะว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันปกติเราเฉยๆอะมันมันไม่เฉยเริ่มเริ่มเห็นตัวตัวกิเลสเล็กๆเริ่มเห็นเขามากขึ้นแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะพระอานค่ะ์ค่หละถ้าเราไปถึงจุดศูนย์อุเบขาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นในตัวที่มันละเอียดที่เรามองไม่เห็น ถ้าเราไม่ได้อยู่จุดศูนย์อย่างตอนนี้จิตใจรเราปกติแต่มันก็มันก็ไม่มันไม่อยู่ที่จุดศูนย์ใช่อขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะที่พระอาจารย์มันมหัาตจารจันมากๆค่ะต้องขอบคุณพ<ม>ระพุทธเจ้าเราเพียงแต่เป็นผู้<ม>นาเอาสารจากพระพุทธเจ้ามามอบให้กับทุกท่านทั้งหลายเราเป็นบุรุษไปสเสนอห์ทุกค่ะค่ะไม่มีคําถามค่ะอย่าลืมพระกรุณาของพระพุทธเจ้ า, จานะ ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราจะไม่ได้มานั่งคุยกันตรงนี้ะมันพรอมแล้วจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยเรื่องหนังเรื่องไปเที่ยวกันว่าสงการที่ไปเที่ยวไหนดีเนาะไม่ไปค่ะพระอาจารย์กะว่าจะทำตามที่พระอาจารย์แนะนําให้นั่งไม่ไปไหนหกชั่วโมงนะคะแต่ว่าขอช่วงสงการดีกว่าค่ะน่าจะรู้สึกสบายใจมันหยุดยาวไม่ต้องห่วงอะไรเยอะค่ะพยายามพยายามจับสู้กับความอยากทรมานความอยาก แต่เราไม่ต้องทรมานั่งกายในช่วงนี้ช่วงแรกๆนลยนั่งให้สบายถ้ามันเจ็บก็ลุกขึ้นมายืนได้แต่เราไม่ต้องการสร้างทุกขเวทนาเราเพียจะต้องการกำจัดความอยากที่จะไปเพ่นพ่านไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไให้มันอยู่กับให้มันอยู่กับที่ดูดิจะตายหรือเปล่าคม่จะจะลองช่วงหยุด ถ้าเราทำถ้าเราทแบบนี้ได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาแบบไม่ขยับร่างกายด้วยเลยตอนนี้ยังอ น, นุญาตเอาเอาทีละครึ่งก่อนตอนนี้เราทรมานแต่ใจแต่ต่อไปเราก็ต้องทรมานร่างกายด้วยให้มันเจ็บไปมันจเจ็บจะไม่ก็ให้มันเจ็บไปซ้อมซ้อมซอมเป็นหม่วยกับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเจ็บแบบนี้แหละ่ะได้ค่ะขอบพระคค่ะอาจารย์ โอเคานต่อไปท่านต่อไ ป, อไ ป, อไปคุณอุษานัสการะพระอาจารยต์ตอนนี้โยมสินแปดแล้วค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะอ่าเป็นยังดีไหมสินแปดเลยกับสินห้าไหมเสียงหายไปไม่ได้ยินอาญาณไม่ดีเลยอ่ามันหลุดไปค่ะอ่ากลับมาแล้วค่ะ ม่มันกินคือตอนนี้สินแปดนะคะจานมันมันจะไม่ง่วงเหมือนตอนสินห้าสินห้าพอกินแล้วมันจะง่วงะคะ่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็กลับมาสินแปดอยู่ค่ะเรื่องแต่วันเสาที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนส่วนตอนที่ว่าที่สุนักเสียชีวิตใช้คําว่าเสียชีวิตเขาถูกงูเห่ากัดเลยค่ะจาย์น mm hmm. ถูกงูเห่ากัดเพราะว่าที่ทแถวบ้านมันจะมีพงหญ้าอยู่แล้วก็งูเห่าเข้ามาซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาถูกงูเห่า ถูกกัดปกติเขาจะไม่ถูกกัดตัวนี้เขาจะกัดงูตายก็เลยคิดว่ามันเป็นกรรมที่เขาสร้างกันมาแต่ว่าโยมก็ทำด้วยวิธีทางคือขับรถไปหาหาที่โรงพยาบาลนะเอายาเพื่อมาฉีดแต่บังเอิญว่าที่โรงพยาบาลก็หมอติดเคสคนไข้สี่คนต้องส่งต่อสู่ไหน ก, ก็ลกมันดูกอย่างมันเป็นจังหวะหมดเลยประจวบเหมาะหมดเลยค่ะเราก็เลยทาใจว่ามานั่งดูเขาแล้วก็อรอลุ้นว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาฉีดยา เขาถูกกัดตั้งแต่ประมาณทุ่มแต่เจ้าหน้าที่มาตอนสามทุ่มและระยะเวลาแค่ประมาณแค่ยี่สิบนาทีเขาก็ไปแล้วค่ะ mm hmm. แต่เราก็ได้เห็นว่าเราตั้งสติอยู่ยังไงความทุกข์ของเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีการแก้ปัญหาที่มันไม่ได้ทุรนทุรายหรือกังวลแบบแบบที่ผ่านมาค่ะยงขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลขับไปเพื่อไปขอขอยาแต่บางเอิญติดจังหวะทุกอย่างมันเป็นหมดเลยแล้วก็บอกว่ามันคงเป็น สิ่งที่เขาต้องเจอเราก็คิดอย่างนั้นนะคะอาจารย์<อ>รก็ทำให้ดีที่สุดพอถึงเวลาที่มันจะต้องไปมันก็ไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็เลยว่ามันก็เป็นบททดสอบเราได้ดั้งดูตั้งแต่ตัวเขาอุ่นจนตัวเขาเย็นแข็งไปหมดเลยอะค่ะอก็ได้เอามาใช้กับอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วทดสอบตัวเราเองจากสิ่งเล็กๆว่าอ๋อนี่สุนัขสุนักเราก็รักนะคะไม่ใช่ไม่ลกักแต่ว่าถามว่ารู้สึกไหมมันก็คือนิ่งๆ แต่ว่าจริงๆลึกๆก็รูกก้สึกอยู่สงสารเขาอะค่ะถ้าเป็นลูลกหรือเป็นแม่จะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงบ้างา <S 1> <S 1> <S อะไรนะคะมันเป็นลูกหรือเป็นแม่จะรู้สึกยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ว่าคงคงไม่ได้ถึงกับทุรนทุรายหรือฟูมฟายแต่อาจจะมีลึกๆอย่างเนี้ยค่ะมันอย่างเข่ากรณีของแม่ยมยมก็ <sınız S 1> ตัวอย่างไม่ได้ฟูมฟายแต่ว่ายังมีอยู่บางช่วงอะค่ะต้องเตรียมทําการบ้านไว้ก่อนพอถึงเวลาทำข้อสอบมันก็จะได้ผ่านเฉลุย สาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอ่าอ่าธุไม่มีอะไรแนละ้วใช่ไหมไม่มีล้ค่ะอาจารย์โอเคไปที่คนออ น, นอนน ม, นานมตาคนนอนนมกลับมาพิธีการคพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอ า, า, า, าจารย์ก็มาฟังธรรมว่าอาจายร ย, าย์ค่ะก็วันนี้จิตใจก็วันนี้ค่ะก็จริงๆช่วงก่อนก็ไม่ได้สวดมนต์ไปช่วงหนึ่งแล้วหยุดดีก็ ก่กนมีหลวงปู่บุญมีมาที่มาที่ตึกที่ทํางานนะคะ mm hmm. นิมตาแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าเอออยากให้สวดมนต์ก็ดีนะคือปกติจะนั่งปฏิบัตินะะเนี่ค่ะก็เลยลองสวดมนต์นิดนึงแล้วก็ปฏิบัติบางบางวันเลยรู้สึกว่าจริงๆการสวดมนต์ก่อนก็ดีเหมือนกันกับท่านเพราะว่าวันไหนที่เราระหว่างวันสติมันมันกับเราเรายุ่งมากพอเราสวดมนต์ก่อนสักนิดนึง มันช่วยได้ช่วย ไ, ได้ช่วยเรื่องสติให้กลับมาได้ค่ะมันช่วยได้แม้จะแบบทำวัดเย็นไม่ได้ยาวมากล่ะสั้นๆนะแต่ว่ามันก็<ม>ทำให้สติกลับมาได้ได้ดีมากเลยค่ะ<ม>ก็เลยน่าจะดีก็แล้วแต่ถ้านั่งได้เลยก็นั่งไปเลยก็ดีคร <ๆ S 2> ถ้านั่ง <ๆ S 2> แล้ ว, ลวยังฟุ้งอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ช่วยมันเทาได้แต่ว่าแต่ก่อนนี้ก็ปกติถ้าวันไหนไม่ได้ไม่แบบว่าสติระหว่างวันดีเราอย่างเอ่ายมก็เรียนรู้จากท่านว่า จริงๆเราไม่จำเป็นต้องนั่งนงมือเพื่อสวดมนต์ก็คือเข้าสมาธิแล้วเราก็สวดแล้วเราก็เข้าสมาธิเลยก็ได้ด้านนั่งสวดในท่าสมาธิแต่นี่ใช้พุตโตก็ใช้บทสวดมนต์แทนไปก่อนเนาันนั้น ก, นนก็จริงๆก็ทําให้สงบได้เหมือนกันอันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆอะตอนแ็กๆที่พอาาท่านแนะนําลองทําก็จริงก็สงบได้ได้ได้เร็วขึ้นดีไม่งั้นโมโมดพวงท่าทางท่านก็จะอะไรเสร็จเข้าต้อมาเปลี่ยนท่าอย่างเปลี่ยนท่าแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ ใช่ค่ะอ่า น, นี้ก็ก็เลยได้ค่ะก็เลยช่วงที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมามียุ่งยุ่งบางวันพอรู้สึกว่าถ้าจะนั่งเลยอาจจะไม่สงบก็ทาวัาเดเยน็นนิดนึงแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีค่ะนั่ ง, งได้ทั้งวันหรือเปล่านั่งๆๆนั <laughs> ่งทั้งวันได้ได้ทั้งวันทั้งวันเลยเหรอไม่ทั้งวันค่ะพายายามจะประมาณ พุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยขาดมาันขาดมาวันนึงแล้วเขาจะต้องไปชดเชยค่ะพระอาจารเออต้วไปชดเชยชอย่างที่พระอาจารย์สอนน้องใบพี่ค่ะวันหยุดเทียังไม่หยุดวันหยุดชดเชยเลยใช่น่ า, นาสมาธิก็ต้องมีการชดเชยแนละ้วใช่ะต้องต้องชดเชยมันทดเอาไว้มนทำนนโทษตัวเองขาดทุนนะ <laughs> ใช่เราอ๋อก็ดีค่ะวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะมีมารายงานประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ อินดีที่รับในรับรายงานค่ะขอบพระเาทัดแข็งแรงนะคะอาจารย์สายที่อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ขอนแก่นแล้วอยู่มหาสารคามอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าค่ะมีอะไรไหมศิลหกเจ็ดแปดค่ะขึ้นลงมายังไงจังมีกินมือเดียวมั้งสองมือมั้งค่ะพระอาจารย์ พอมือเดียกก็ก็หิวยังยังไม่สำเร็จค่ะแต่จะพยายามต่ออยู่ค่ะอย่าไปกลัวความหิวแต่ถ้ากลัวความหิวมันก็มันก็ไม่ผ่านต้องยอมต้องยอมหิวอดเพื่อให้มันหิวไม่ใช่อดเพื่อให้มันอิ่มอ๋อไมค่ะพระอาจารย์แต่มันหิวหิววมันหิวเอันไม่ตายหรอกไม่หิวไม่ตายหรอกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันก็เจอความหิวทไรก็ยอมแพ้ทุกทีอืมค่ะ หันอยู่กับหันอยู่ความหิวมันเป็นทุกขเวทนายอย่างหนึ่งค่ะพ อ, อหิวหิวตื่นเช้ามาก็เปิดตู้เย็นมีอะไรกินบ้างตั้นหาออกมาก่อนเลยตแต่ของ<า>ตอนนี้ในตู้เย็นเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้สต็อกเหมือนเดิมแล้วค่ะพระอาจารย์เริ่มหมดหมดค่ะ<ม>พระอาจารย์คะหนูมีมีฝันอยู่สองคืนคืนหนึ่งฝันเห็นคุณแม่ค่ะพระอาจารย์ที่เสียแล้ว คุณแม่ใส่ชุดขาวลงใจสังขาวที่แดนนี่ตั้งใจใส่ชุดขาวเห็นคุณแม่สวมชุดขาวแล้วก็คุยกับคุณแม่ด้วค่ะพระอาจารย์ถามสารทุกสุขดิบแต่คุณแม่เสียแล้วเลยถามคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงลูกไหมแม่ก็บอกคิดถึงแล้วทีนี้หนูเลยบอกเห็นคุณแม่เลยแบบงั้นคุณแม่ก็ถือศีลห้าศีลแปดนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็บอกคุณแม่ว่าโอ้ยเดี๋ยวไว้ชาติหน้าเราค่อยเกิดมาเจอกันเนาะ แล้วในฝันหนูก็คิดได้ว่าโ อ, โ อ, โอไม่เอาไม่เอาหนูไม่หนูหนูจะไม่เกิดแล้วไม่อยากเกิดงั้นคุณแม่เรามาสลายตัวกายเป็นธาตุรูกันเถอดด้วยค่ะพระอาจารย์จนคุณแม่สลายตัวค่ะพระอาจารย์ก็เลยเออก็ตื่นขึ้นมาก็เออก็ยังอันนี้ถือว่าเรามีมีสติในในฝันด้วยไหมหรือเปล่าคะพระอาจารย์จะว่ามีสติก็ไม่เชิงหรอกเพราะถ้ามันมีสติมันก็ต้องตื่น อืมนี่มันหลับก็เพราะมันไม่มีสติแต่มันมีมันมีของของที่เราจดจำเอาไว้ในใจเรามันก็โผล่ขึ้นมาค่ะสิ่งที่เราอยากจะจะเป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็สุดท้แต่มันอาจจะจากการได้ยินได้ฟังธรรมะกันอยู่เรื่อยๆมันก็ฟังอยู่ในใจเราเหมือนอยู่ในในในจิตใต้สํานึกเรานะคะคช่แล้วมันก็มาคิดปรุงแต่งไป คฝั <laughs> นนี้ส่วนใหญ่มันก็มันมันมีสองแบบฝันแบบฝันจริงคือมีเจอกายทิพย์จริงๆอะไรนี่ก็ก็ อ, อาจจะเป็นไปได้หรือไม่เช่นั้นก็เป็นเรื่องปรุงแต่งของจิตเราอืเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าเป็นอย่างไรอถ้าไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใค่ะแต่ก็เหมือน อาจจะเป็นจิตเราที่เราอยากอยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็ได้ฝังอยู่เห <ứng Element. S 2> มันเป็นความอยากก็ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็เป็นความคิด ม, มันความคิดใต้สำเน็กกับจิตใต้สำเน็ก <sw> ใช่มันก็อาจจะเป็นความอยากอยากจะไม่กลับมาเกิดเพราะได้ยินได้ฟังทำอยู่บ่อยๆมันถ้าเกิดไม่ดีก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณสัญญาณที่ดีเป็นนิ้มินที่ดี ทคิดถึงเรื่องเราเหล่านี้ท่านนี้จะชวนแม่ไปเที่ยวไหมมากินข้าวไหมเราชวยแม่รักษาศีลห้าศีลแปดก็ดีชวนสลายตัวได้ค่ะพระอาจารย์ เ, <laughs> เรามาสลายกัยเป็นธาตุรู้กันเถอะ <laughs> ไม่อ ย, <laughs> อยากเกิดแล้วการแสดงว่าเราจิตใต้ทรรมเรื่องเรามีของดีๆส่วนอีกวันหนึ่ง ก, ก็ฝันว่าไปเจอในสถานที่ที่ศกกระปกค่ะพระอาจารย์แล้วเราเจอฟูก พวกก็ดำๆแต่เราเอาพวกมามาปูแล้วเราก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็แบบน่าจะชอบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ก็อย่าไปยึดติดกับฟันนะมันใช้ใจรักพิจารณาเป็นใจรักไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปผ่านไปแล้วแต่ถ้ามันมีมันมีคติที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาถ้าไม่มีก็อย่าไปกังวะ อันนี้ก็นั่งสมาธิอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็บางทีในระหว่างวันเหมือนบางทีเราทํางานหรือคิดคิดไปมันก็มีจังหวะที่แบบค่อยคิดเก็บไม่ต้องเหมือนมันมีจังหวะที่มันมันนิ่งไปเองอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็พุทโธขึ้นมาแต่ว่าจริงๆก็ก็เหมือนเราลืมพุทโธแต่ว่าพอเราเผลอๆไปแล้วมันก็นิ่งแล้วก็พุทโธเหมือนแบบเออเราไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ก็ค่อยมาพุทโธพุทโธค่ะ ถ้ามันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องพูดโธก็ได้อ๋อ <laughs> แต่ว่า น, นิ่งก็ก็ปล่อยเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ดูลมหายใจก็ปล่อยให้มันนิ่งไปสักแต่ว่าลุกไปอ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์เ <laughs> ดี๋ยวปฏิบัติต่อค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรละคะ่ะโอเคสาธุสาธุค่ะวันนีคืออาจารย์ผมพิไลขอบคุณอนุกูล <c oughs> เอิ้นในยาม กล่าวรำสการพระพาอาจารย์ค่ะอืเป็นยังไงรำสการพระอาจารย์ครับอาจารย์นนสบายดีนะคะก็สบายดีมีอะไรไหมทางกาย<ม>ประมันเป็นปกติหรือยังกล้แล้วครับมไม่ช้านี้จะไปกราบสวัสดีพระอาจารย์อไม่แต่มาไม่ทันมาไม่ได้ไ ก็ยังขับรถกรกบไกลๆยังพยายามจะไปสิบเดือนได้ไคิดว่าราได้ครับอขับไปเองก็คนนั่นขงข้างๆจะเปลี่ยนใจนะ <c oughs> <c oughs> จะต้องไปกับลูกค่ะอฮ ะ, ะ, ะ, ะอ ก, ก็เดียวจำได้ป่านนะถ้าเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแนะ่นอนนะค่ะแล้วอากาศก็ร้อนด้วยค่ะช่วงนี้ต้อง <c oughs> ให้ให้เขาหายใจได้สบายๆกันอืม ทุกมีฝึกหายใจอยู่อแตนะ่อยู่หายใจนะหยุดไม่ได้จนะห <laughs> าย ใ, ใจฝึกห <c oughs> าย ใ, ใจจะที่ฝึกหายใจเข้าไม่หายใจออกบอกให้ใหายใจเข้ายาวๆหมอใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าสอนฝึกหายใจ<อ>จะติดตามเดี๋ยวนี้ติดตามดูพระอาจารย์ใส่บาต น, นะคะแล้วก็เวลาที่เ์จะไม่ว่างใช่ไหมคะโมนุโกนเดี๋ยวนี้ รีบเปิดหาใหญ่แล้วค่ะว่าเริ่มตักบาตรกี่โมงตามอย่างละเอียดเลยรู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้ได้ประโยชน์ทางธรรมะนี่ค่ะเดีย๋ยวนี้เริ่มเช้าขึ้นเพราะตะวันมันขึ้นเร็วขึ้นเดีย๋ยวนี้เป็นระบะเช้าขึ้นกว่าเดือนวันี้เริ่มวันนี้เริ่มประมาณที่ห้าห้าสิบห้าทเรามโาเป็นนัอทิจิตผ่านมา youtube มีปัญหาคเข้าไม่ได้ต้องเข้าทาง facebook กอ่ะ อ๋อตามดูไม่ได้มันมันมีกล้องเดียวอธิฐานคนกล้องหนึ่งเขาไม่ได้มาอ๋อล้วเลยนะคนใช้สองกล้องเลย YouTube กล้องหนึ่งแล้วเฟซบุ๊กกล้องหนึ่งในคนที่ถ่าย YouTube ไม่ได้มาต้องเข้าต้องเข้าทางเฟซบุ๊กก็สังเกตเหมือนกันนะกล้องนี้จะอยู่อยู่ด้านหลังด้านด้านหลังตลอดแล้วก็ไม่ได้เห็นเออพระนะ ปกติจะมีประมาณสิบสิบสามใช่ระมคะสิบห้พวันนี้จะเห็นพระจานทร์อย่างเดียวเลยเอเคเกลยดเอเคเกลยดย้ายมาพอดีเลยตามอย่างนี้ไปอยวกรุงเทพก็ต้องไปช้ามากเลยนะคะสักบาทก็กว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จก็ประมาณเจ็ดโอย่างวันนี้เจ็ดโมงเสร็จเสร็จถึงก็ถึงจะเสร็จ้็เสร็จ ประามาณชื่อโมองกว่านิดหน่อยถ้าสาวที่ก้า จ, จะเจ็ดโมงขึ้นก็ได้เพราะคนเยอ ะ, ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องสี่ร้อยกว่าคนวันธรรมดาวันธรรมดาเปนแค่สองร้อยกว่าอย่างวันนี้สองร้อยเจ็ดสิบกว่าก็เร็วหน่อยถ้าคนน้อยก็เร็วหน่อยถ้าคนมากก็ช้าหน่อยช่วงช่วงสงการเนี่ยห้าวันเทศหน้า ป, ปุตติอ่ะนะคะ ก็ก็ก็มันก็เป็นหน้าที่ต้องทำเป็นงานของเราทําไ้ได้ไม่เป็นไรค่ะมีแฟนคลับมาตามตามตามตามรายละเอียดนะทุกวันพูดได้เพรไม่เพราไม่มีปัญหาอะไรก็พูดไปอาจารยจะพูดซ้ำๆบ่อยนิดนึงเพราะบางทีอาจจะมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันก็พูดการเนี่ยสีนสมาธิปัญญาสมุนทังทานอ่า บางครั้งเริ่มเริ่มก็ยังเฉยๆนะคะเพิเทศไปกลางๆแล้วแบบดีมากๆดีมากตามติดเริ่มเริ่มเข้าเรื่องใช่ไม่ใช่เข้าเรื่องหแบบเด็กมันลงนึกดีค่ะลงนึกดีแล้วเมื่อวันอาทิตนี้ยิ่งดีมากเลยนะคะแทนที่ใช่ค่ะต้องกลับมาไปนั่งฟังอีกสองรอบ นีม้ว่ามีคนสนใจมีคนติดตามนี้ก็ทําให้มีกําลังใจที่ค่ะแต่แผนที่นําทางนี้แน่เดี๋ยวดรเฮียจะต้องพิมพ์ออกมาอจะได้เอาไปให้ละเอียดละเอียดนะฮะสําหรับแผนที่นาทางนี้ใช่ใช่ดีดีเลยคฮะวันนั้นแล้วมันไม่ดีไม่ยาวนะแล้วก็กระชับแล้วก็มองภาพตามไปได้เห็นเลยเพราะว่าไม่ว่าฝรั่งหรือไทย ก็จะเรียนถามพระอาจารย์อยู่เสมอนะคะเรื่องฐโสดาบันอนยะ่างนั้นใช่โดาบ้นงนะั้นก็แค่นี้ก็กขอก่อนให้ถึงนะจะได้เลยแค่เจ็ดภพเจ็ดชาพยายามเร่งสปีดดู่ะเอาเอาข้อนี้พี่เคยกาเปียนพระอาจารย์ว่าถ่านนี้ขอขอโซดาบันก็ได้ถ้ายัง <c oughs> ไม่ตายเร็วก็ขอไปมากกว่านั้น คนชอบเป็นโซนนาบันพอะยังแต่งงานได้ยังไม่ต้องไปไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะเป็นนาคามีเป็นภาหันว่ต้องไปบวชเนี่ยพนึกว่าไปไม่ถึงงานเพราะมันต้องต้องรักละสกกายทิฏฐิวิชิิชาอะไรหรือสามอย่างนี้ยังพอพอมองภาพเห็นแล้วอืคิดว่าไปได้ดูร่างกายแล้วไม่ใช่ตัวเราทั้นเองปล่อยวางมันใช่ไม่ต้องไปเวลา คุยคุยกัคนรู้เรื่องมันก็คุยได้นะถเรื่องความตายเป็นเป็นปกติธรรมดาง่ายๆอะไรเงีย้ยค่ะกับคนที่เขารู้เรื่องคะถ้าคนที่เขาไม่ไม่เข้ามาตรงนี้ก็พูดไม่ได้นะคำว่ได้ยนี้คำว่าตาย น, าาายนี้พูดไม่ได้จะนะสังเกตจากเพื่อนเพื่อนเพื่อเราเองนะคะเพราะว่าเราคุยกันจะมีบางคนก็คือจะเงียบเวลาเราคุยเรื่องว่า เออเราไม่รักษาหน้าเราเราไม่เอาอ่ะขี้เกียจวันนี้ก็คุยกันอแต่เราก็จะสังเกตว่าบางคนเขาไม่ได้อันนี้มันรับไม่ได้เลยรับไม่ได้ก็นานาจิตตังนะอยู่ที่ธรรมะได้ได้นในฝั่งธรรมะน้อยต่างกันไปแต่ถ้าเรารับได้ปุ๊บนี่ชีวิตจะสบายเลยสบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกใช่เป็นธรรมชาติ แม่ า, าตายก่อนตายพอเราตายก่อนตายแล้วเราก็าจะไม่เดือดร้อนถึงเวลาตายจริงแล้วก็เฉยๆค่ะก็เราเตรียมกันอยู่คฮะคุณยุคกูก็น่าจะต้องเตรียมเยอะหน่อยค่ะ อ, ะอไม่แน่เลยคุณยุกูอ <c oughs> าจะมีเสือซ่อนเล็บก็ได้เนะอยู่นามอยู่นามเ <c oughs> สือซ่อนเล็บ <c oughs> นนเพื่อนไปอยู่กันหลายคนไปแล้วอ พออยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะปีต่อปีเหมือนต่อคุณแม่คุณแม่ก็จะร้อยสามอะไรงี้วันต่อวันวันต่อวันมีภาวะเราสบายนะไม่ไม่มีมีผ่าร้ายอยู่แม่คนเดียวโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะกลับไปความพื่ใหม่ค่ะสบายสสงบสงบเย็นสบายสบายค่ะโอเคไปที่แม่น้องเหรินต่อ แม่นะเวรพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะพระอาจารย์หนูก็เอฝึกตัวเองเรื่อยๆดูตัวดูใจตัวเองไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีประเด็นนะคะช่วงที่หนูพ่าตัดนะคะขออนุญาตพูดถามว่าความเข้าใจของหนูถูกหรือเปล่าได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ พอดีว่าช่วงที่หนูผ่าสมองกอนก่อนที่จะมาผ่าสมองอะคะ่ะพระอาจารย์หนูเกาใจว่าอ่าดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช่ไหมเจ้าคะคือคือเปิดฟังทาให้ผู้ป่วยฟังนะคะแต่พอหนูมาผ่าสมองเนี่ยเพราะว่าปฏิบัติด้วยแล้วลองดูก็จริงๆแล้วสิ่งที่ตอนหนูต้องการตอนนั้นนะคะพระอาจารย์คือความสงบคือไม่ได้ต้องการแบบเสียงหรืออะไรที่มา ตอนที่ผ่าสมองไปอยู่กับใจมากกว่าค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยมองว่าถ้าเปิดฟังมันจริงๆแล้วความต้องการตอนที่เจ็บปวดตอนนั้นนะคะพระอาจารย์คือความสงบแบบไปอยู่กับใจอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์หนู ก, ก็เลยว่าสิ่งที่หนูคิดประมาณนี้ได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ความเราทำความสงบได้เราก็าาม ไ, าไม่ต้องสวดไม่ต้องฟังธรร หแต่เราคนที่เขาไม่รู้จะทําความสงบอย่างไรการฟังธรรมก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะทําให้ใจเขาสงบได้แต่อาจะไม่ไม่มากไม่เท่ากับการที่เราทําใจให้สงบด้วยการใช้สติอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราคนแต่ดีที่สุดก็คือความสงบนะให้จิตมันสงบแน่งเป็นอุเบกขาแล้วอะไรจะเกิดก็เหมือนก็ไม่มามาสะเทือนใจ ก็จะเฉยๆไปเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมาพิจารณาตัวเองพอร่างกายมีปัญหาใช่ั้ยเจ้าค่ะมันจะเป็นความสุขที่ได้หลับหรือเข้าสมาธิแต่พอตื่นขึ้นมาก็ประมาณว่าต้องมาลุยกับร่างกายแบบนี้ต่อไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ประเด็นก็คือแต่ การนอนมันจะระยะเวลามันจะลดลงไม่ได้นอนนานนะคะแป๊บเดียวสีชั่วโมงก็นอนอิ่แล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็เปิดตาสู้ชีวิตต่ออย่างนยเจ้าป่าพระอาจารย์หนูก็ได้มาโดยปกติคนที่มีคนที่ปฏิบัติกันจะ น, นอนไม่มากก็มีสติตอนสี่ห้าชั่วโมงต่อวันก็พอเพียงก็ค่ระอาจารย์หนูก็เลย ได้ประสบการณ์พอดีหนูมาฟังธรรมจากพระอาจารย์ช่วงแรกๆที่หลังผ่าสมองหนูก็ฝันนะคะพระอาจารย์พอหนูฟังธรรมจากพระอาจารย์ปุ๊บความฝันหนูหายแล้วหนูก็เลยตกใยอยู่เหมือนกันกับว่าความฝันหนูหายได้เหรอปัจจุบันนี้ความฝันก็ยังไม่ยังยังจําไม่ได้ก็หนูก็ยังว่าเอ๊ะมันเกิดจากสมองที่หนูผ่าไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการที่ปฏิบัติจนความฝันจําไม่ได้นะคะพระอาจารย์ ก็เลยแบบเอามาดูยังไงมันก็จําไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตอนก่อนหลังถาสมองปุ๊บหนูยังพอจําได้นะคะพระอาจารย์แต่พอฟังทำปุ๊บมันค่อยๆหายไปเลยะค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบตกิดขึ้นมาเราฝันอะไรจําไม่ได้เลยอะค่ะพระอาจารย์ก็ได้อยู่กับตัวเองแต่ว่ามันไม่มีความฟ้งซ่านนะคะหนูก็เลยแบบอยู่กับการทําความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะมันเลยไม่ค่อยได้คิดอะไรอะค่ะอยู่แตบบ่ กับส <icana> ิ่งที่ทําในแต่ละแต่ละวันแต่ละวันอย่างเนี้ยค่ะภู้อาวุโสหนูก็เลยบอกว่าเอาใช่อย่างนั้นหนูได้ประโยชน์จากตรงนี้หนูก็เลยขอเป็นพีเซนเตอร์เลยค่ะผู้อาจารย์เพราะว่าประโยชน์มันเยอะมากเลยค่ะหนูก็เลยได้เอามาพูดอค่ะภู้อาวุโสก็เลยบอกว่าหนูรู้แหละหนูหนูหนูชอบดูของแท้ของปลอมใช่ไหมเจ้าค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอก คนอื่นว่าหนูชอบบูมพัชแทรพัฟฟอมหนูเจอและวพัชแท้ก็พัชอาจารย์เอาเลยมาฟังทำมา อ, อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเป็นพีเซ็นเตอร์เลยค่ะพระอาจารย์หนูมาเจอของแท้แล้วแต่ว่าของแท้เขาจะไม่บอกว่าของแท้ค่ะ<ม>ขึ้นอยู่กับเราเองอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยพรีเซนต์อย่างเดียวพระอาจารย์เพราะว่าหนูอยากเป็นดีเทลหนูก็โอมูดอย่างเดียวเสร็จหนูหนูไหว้ยค่ะพระอาจารย์แบบกับโอมูดตอนที่ขี้เล็บแล้วนะเจ้าค่ะตอนก่อนหน้านี้คือแบบ แต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะพอมาอยู่ตรงนี้ก็พอมาแบบเห็นแต่ละคนก็แบบพยายามบอกตัวเองอะค่ะอย่าอย่าพูดอย่าไปว่าเขาเป็นศพอะไรเงี้ยอย่าโดนโดนคำูห่ใสยังงี้ค่ะแบบใจมารู้นะคะว่าเอ้าอันนี้สวยที่ไหนแล้วก็ศพอะไรเงี้ยค่ะแบบมองมองเห็นไม่ต่อทั้งสามวีหนูแล้วก็ตัวหนูเองนะคะหนูก็เลยแบบแบบพยายามแบบแยกเลยพระอาจารย์คือแบบแต่ก็แบบไม่ได้แบบชมหลอหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ว่า บางคนแบบหน้าตาดีๆมาก็แบบเอ้าแบบในใจบอกนะคะว่าผีนี่นาอไนะไรเงี้ยค่ะมีลมหายใจแต่หนูก็ไม่กล้าแบบพูดออกไปเดี๋ยวหนูคงจะแบบโดนเขาแบบอือแบบโกรธอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดแบบว่าเอาศพมาทำไมอะไรประมาณนี้ค่ะพาอาจารย์มันก็ต้องเป็นด้วยกันทุกคนแหละท้าเร็วนั่นเองขอบพรอาจารย์อโอเคนะมีอะไรัหมไม่มีแล้วคะ่ะโอเคเราอาด้วย อรัอบุญเอกเชียงรายเานกลับมาสรรรัการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงครับครับวันนี้เข้ามาร่วมรับฟังครับพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติบูชาทุกวันครับพระอาจารย์ครับเยนเป็นการบูชาที่ดีที่สะเคือ ก, การปฏิบัติบูชา น, นะครับผมออืก็ช่วงช่วงเย็นก็จะมี ก็จะมีเดินจงกรมบ้างครับพระอาจารย์ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีครับพระอาจารย์ก็สมาธิก็นิ่งนิ่งอยู่แต่พระอาจารย์ทำครับเป็นเป็นบางวันครับเหมือนเอ่ออย่างวันพระถ้าเกิดไปวัดก็ฟังพระท่านเทศก็บางทีก็มันก็เข้าอ่ะครับอาจารย์มันก็หลุดบุ๊ปไปครับอาจารย์กบนิ่งไปสักพักแต่ก็รู้สึกตัวครับพระอาจารย์ครับผมช่วงเช้าก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับครับผม ครับดีมากครับครัผมก็ต้องรมลมรับฟังกับอาจารย์ก็ขออาจารย์ข้าพันแข็งแรงนะครับสาธุพรอาจารย์ครับสาธุครับอ ค, คุณหมอภาสนาเชิญพากดรัมมัส ก, การค่ะพระอาจารย์คะ่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะช่วงช่วงเวลาเนี้ยก็ยังมีความสงบแล้วก็สบายนะคะพระอาจารย์แล้วก็ คุณพ่อกออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะพระอาจารย์มันมทําให้มันรู้สึกเลยว่าแบบที่พระอาจารย์สอนสั่งมาแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนไปทีละนิดทีละนิดเนี้ยมันมันเอามาใช้ได้ประโยชน์มากๆเลยในเวลาที่มันเป็นวิกฤตอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะก็ยังมีความสงบสบายแล้วก็แล้วก็สามารถคุณพ่อก็ออกออกมาคุณพ่อก็ขอว่าเดี๋ยวหลังสงการจะมาหาพระอาจารย์เลยค่ะตั้งรถมาได้แล้วค<ม>่ะคุณพ่อแม่ตั้งใจปฏิบัติเลยพระอาจารย์อืมดีมาก คุณพ่อเห็นเห็นบอกว่าเราต้องเดินทางคนเดียวแล้วยังไงก็ต้องเดินทางคนเดียวมรณสติเนี่ยคะ่ะคือคแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันมันทําให้แบบพอของเทพของพระอาจารย์แล้วก็การที่พระอาจารย์สอนสั่งมามันช่วยได้มากๆเลยค่ะพระอาจารย์อืมขอบพระคุณนะคะแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติตลอดนะคะไม่ว่าอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านคุณพ่อหรืออยู่บ้านตัวเองก็ยังปฏิบัติสม่ําเสมอพระอาจารย์อือปฏิบ้านปฏิบัติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไป <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะยิ่งกว่านั้ถึง ทำไปเี่ยเื่อยจนไปที่สุแหงที่สุดแทงธรรมที่สุดแทงมีกำลังใจเลยค่อคะาจจะพาคุณพ่อไปหาหลวงพ่อบนหลวงหลวงพ่อบนมีแล้วก็แล้วก็พระอาจารย์นิพนด้วยนะคะพระอาจารย์นิพนก็ค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันดีโอเคอ่าาอ่าคุณจุ๊บโบเบนมัสกัดพะอาจารย์เจ้าค่ะ มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะมาร่วมฟังนะมาร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคเดินไปที่คุณมาลีตามาลีนี่ชื่อเล่นเล่นชื่อเล่ชื่อจริงเนี่ยมาลีชื่อชื่อจริงค่ะโบราณโบราณค่ะไปรอดีชื่อชื่อโบราณเนี่ยมันน่าน่าจะ จากสามุนไพรนะเป็นอนุรักษ์นะเขอพอจะบอกว่ า, วาโบราณโบราณไม่ไม่ค่อยมีใครชื่อค่ะอยบานี้ฟังแล้ววันนี้ฟังแล้วมันเออไทยแท้ไทยแท้หลวงพ่ อ, อก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่ไม่ขาดค่ะหลวงพ่อมีเวลาก็ไปไปนั่งไปปฏิบัติที่วัดแล้วก็ไปถวายทานที่วัดนะคะหลวงพ่อแล้วก็ กลับมาทำภารกิจที่บ้านอะไรเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหลองพ่อ ส, สงบสมาธิก็ดีดีขึ้นค่ะไม่มีปัญหากับใคร้นั้นนะค่ะหลวพ่อแล้วก็ดีใจอีกอีกหน่อยเนื้อคือว่าตอนนี้คนในครอบครัวให้ความสำคัญในการปฏิบัติเกือบจะเกือบจะครบหมดแล้วค่ะหลวพ่อ คือพอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านเข้าห้องพระปฏิบัติกันอย่างอย่างน้องชายที่ไปกราบหลวงพ่อค่ะตอนนี้คอเขาเลิกงานเสร็จเขาก็จะกลับบ้านแล้วก็รีบขึ้นห้องพระปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะห น, หนูหนูดีใจมากเลยแล้วเขาบอกว่าถ้ามีเวลาเขาจะตามหนูไปปฏิบัติที่วัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล้วก็ทั้งคื อ, ค, อคือเห็นเห็นแล้วมันมีความสุขค่ะหลวงพ่อ ค, คือเขาดูจากที่หนูแบบ เหมือนแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อดีใจมากๆเราทําตัวเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขเดี๋ยวเาก็ตามเอามาเองแต่แต่กว่าจะมาขนาด น, นี้ก<ว>ม็มันต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาใช่หรือเปล่าของทางที่มันใช่เป็นทางที่จะมากันได้ง่ายๆาแต่ในที่สุดเข้ามาได้ก็ถือว่าใช้ได้ ค่ะหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญกันหมดแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อคือก็เหมือนเหมือนเวลาน้อยลงไปแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันมันมันรอคงไม่ได้แล้วค่ะเราเรามีท้อง ด, ดีอยู่แต่เรากลับไม่ให้ความสําคัญกับมันเหมือนไก่ได้พลอยก็ได้นิทานไก่ได้พลอยไหมค่ะไก่มันจะคุยเกียาหารอาหารแต่ตัวนอนตัวใช้เนืน้อพอเจอเพจเจอพลอยมันก็เกลียทิ้งเกลียทิ้งค่ะ คนก็สมัยนี้ก็เหมือนกันหาแต่ราำยศสารเสรินกันพอเจอพอเจอธรรมะก็เกียดทท่งเกียไม่เอากันเขาเขาแค่ว่าเออไปไปทำบุญไปไหว้พระตามวัดแส่บาทแค่นี้ค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่ว่าเรื่องการปฏิบัติไม่ไม่ค่อยให้ความสมคัญเท่าไหร่ mm hmm. ก็เหมือนเหมือนแบบว่าคือถ้าออถ้ามันก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของพระเปนการปฏิบัติ โยมก็เพียงแต่สมุญใจบาตรก็พอแล้วไหวพระสวมุนเขาก็เลยมองว่าเหมือนแบบโหทําไมต้องเข่งอะไรขนาดานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่แต่ว่าจริงๆคือเขายังรู้ไม่หมดว่าการมันต้องมีทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาใช่ไหมคะหลวงพ่อมันถึงจะครบแล้วทุกคนปฏิบัติได้หมดไม่จาเป็นไม่าจะต้องเป็นฆราวาสหรือเป็นพระค่ะหลวงพ่อก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อ ก็ปฏิบัติค่ะเราหยุดห้าวันหรือเปล่าเนี่ยที่ก็หยุดกันหยุดไหมหยุดหยุดตั้งแต่วันวันศุกร์ค่ะหลวงพ่อวันที่สิบสองอะค่ะหลวงพ่อหนูก็กะกาวว่าจะทําอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยที่บ้านให้เสร็จแล้วก็จะชวนน้องไปไปวัดอ่ะค่ะหลวงพ่อไปอยู่จะไปปฏิบัติที่วัดอนะคะหลวงพ่อค่ะโอเคเอาให้เต็มที่เลยนะ ค่ะหลออวงพ่อขอบพคุณหลงพ่อค่ะสาธุสาธุค่ะคนฝนเชิญคนฝนขอธรรมสถานค่ะพระอาจารย์ก็าหายไปหลายอาทิตย์ตอนพอดีอาทิตย์นี้ลูกไม่ได้เรียนแบบ ก, ก็เลยมีเวลาเข้าซูมก็จะมากราบพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ฟังธรรมด้วยค่ะแล้วก็ช่วงหยุดสงการานนี้หยุดหลายวันก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะขับรถขึ้นไป ฟังทำนากุติอะค่ะเดี๋ยวจะหาวันช่วงสงกานขึ้นไปสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <S <S 2> <S 2> ส่วนเรื่องอื่นๆก็มันก็ความอยากมันก็เข้าจะคือเรียนรู้เรื่องความอยากอยู่อะค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าความอยากมันไม่สิ้นสุดอะค่ะที่เคยเรียนพระอาจารย์หลายครั้งรล้วมันอยากพอพอฟูลฟิความอยากมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความอยากใหม่ๆขึ้นมา อทดแทนอยู่เสมออะค่ะหนูก็เข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าจะกําจัดความอยากเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะมีอาจะอาจจะมีแต่สติอะค่ะแต่ว่าเหมือนกับเราเจะอุเบกขาไปสู้มันก็ยังยังลําบากอยู่อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอาจจะด้วยความที่เรานั่งสมาธิยั ง, ย, งยังไม่ถึงหรือว่าอาจจะน้อยเกินไปอะค่ะพระอาจารย์ มืนหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมนุษย์เราความอยากมันถึงไม่สิ้นสุดนะคะมันสะสมมาเยอะจนถึงกําจัดได้ยากขนาดนี้เลยะคะ่ะพระอาจารย์ก็ต้องมันพยายามพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่แน่นอน หนูก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานนี้หนูไปข้างนอกคือปกติหลังนั้นหนูไม่ค่อยไปไหนอะค่ะอย่างหยุดสงกรามก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะค่ะเราจแต่เมื่วานนี้พอดีไปข้างนอกกับเพื่อนนะคะไปเราซื้อแเหมือนแบบก็ชวนกันไปซื้อของอะค่ะตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วอะค่ะสุดท้ายมันก็เหมือนแบบมันมันสู้กิเลสไม่ไหวอะค่ะพระอาจารย์มันก็สู้กลับมามันก็ซื้อกลับมาพอกลับมาถึงเราก็ทิ้งมันไว้อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วหนูก็มานั่งทิจารณาว่า หนูซื้อมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะพระจารย์เหมือนมารู้ทีหลังแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ก่อนจะซื้อต้องถามว่าสิ่งนี้ที่เราอยากได้นี่ถ้าไม่มีมันเราจะตายไหมถามมันไม่ได้หรือเปล่าวถ้าขาดมันไม่ได้ก็ต้องซื้อมาถ้าขาดมันได้ไม่ตายก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะแต่มันก็คิดแล้วคือตอนนั้นก็นึกถึงนึกถึงพระาจารย์นึกถึง วางใจอูเบกค่ะนึกถึงทุกอย่างเลยค่ะแต่เหมือนเหมือนเพื่อนก็เป็นเพื่อนเป็นมายมันไม่ยอมฟังมันไม่ยอมฟังเยมันยาวแเดียวเพื่อนก็เป็นมานด้วยอะค่ะก็แบบเอาสิอยูสิออสิซื้อสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หนูก็ยอมยอมรับว่าอันเนี้ยหนูหนูมันมันพลาดไปว่าเหมือนแบบเราเราไปทำตามความอยากของเราอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รู้ว่าเรายังทําไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นพัฒนาอานิจจังทุกขาราตายมากขึ้นคือมันอาจจะทําได้ในในเรื่องเรื่องบางเรื่องอะค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าเมีเหตุการณ์ว่าเออมีคนมีปัญหาที่บ้านมีอันเรื่องนู้น เ, เรื่องนี้เราสามารถที่จะทําใจแบบเป็นอุเบกขาได้แบบไม่แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาช่วยอะค่ะแต่เหมือนพอไปเจอเรื่องความอยากในการ อยากได้อะไรแบบนี้ค่ะมันยังยังสู้ไม่ได้เท่าไหร่นะคะพระอาจารย์บางเรื่องก็สู้ได้บางเรื่องก็สู้ไม่ได้น่คะพระอาจารย์ใช่มันอยู่ที่ว่าเราชอบมากชอบน้อยถ้าชอบมากก็สู้ยากเลยอะไรที่นราไมา่ค่ชอบมันก็ง่ายเลยใช่ไหมใช่จ้าคืคอสิ่งที่เหมือนว่าอาเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะก็รู้สึกว่าหลังๆจะทำได้ดีขึ้นนะคะว่า ปล่อยวางไม่เฉยๆอะค่ะมีอะไรเราก็มองเหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เออมันก็ทําได้ดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่ที่พระอาจารย์บอกเลยว่าอะไรที่ชอบมากมันก็มันก็อาจจะยากหน่อยอะะนะคะหนูก็คิดว่าหนูอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความอยากในอืมวัตถุอะไรพวกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์จะหนูไม่ทราบว่าจะจะใช้อุบายยังไงดีอะค่ะเกี่ยวกับความอยากในวัตถุสิ่งของอะไรแบบเนี้ค่ะก็มันเป็น พอได้มาแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระไปอย่างน้งต้องดูแลรักษามันนะในเวลาที่มันเสียเนี่ยมันชำนวนมันก็สร้างความปวดหัวให้กับเราได้ก็หนูจะพยายามพยายามในเรื่องนี้นะคะ่ะหนูคิดว่าตอนนี้ อ, อาจจะเป็นเมนหลักอยู่ะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับความความอยากในในในในสิ่งพวกนี้นะคะ่ะอาจารย์ แต่ว่าหนูไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะคะเพียงแต่ว่าหนูคิดว่าบางอย่างมันไม่จําเป็นแต่ว่าเราซื้อมาเพราอหลังๆเราปฏิบัติมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะมองว่าอะไรก็ตามที่เราซื้อมาะคะ่ะแล้วมันมันเกินความจําเป็นก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรแบบอืก็ก็คิดไปยน้เรื่อยๆต่อไปมันก็อาจจะทันกิเลศเวลาอย่ากจะซื้อขึ้นมาว่ามันไม่จําเป็นไม่เอาดีกว่าอย่นงงั้นค่ะได้ค่ะพระอาจารยหนูจะจะจะ พยายามคิดตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะก็ไม่มีคำถามอื่นแล้วค่ะพระอาจารย์รก็เมนหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ที่คิดว่า ม, มันเป็นกิเลสค่อนข้างใหญ่อยู่่าเป้าหมายของเราก็าเกิดแล้วต้องการลดละความอยากให้มันน้อยลงไปเฉยนค่ ะ, ะมีทีใดที่เราสามารถลดมันได้ละมันได้ก็พยายามทาไป ค่ะได้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหยุดสงการานะคะที่พระอาจารย์เทศน้ากุดห้าวันนะคะเดี๋ยวจะหาเวลาไปวันหนึ่งนะคะเพราะว่าคงต้องไปไปสร้างหอ เ, อาเหมือนถึงหาพลังนะคะ่ะต้องไปต้องคงต้องไปได้เชิญค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอให้ท่านทัดขันแข็งแรงนะเจา้าค่ะสาธุสาธุค่ะคุณต้องระดาเชิญอันนี้ไปปฏิบัติธรรมเยอะมากนั่อยู่บ้าน อัิ ก, การการค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูบ้านค่ะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเมษาค่ะอ<ฮ>ืถ้าอาจารย์ค่ามีมีคําถามเนี่ยค่ะ <S <S คือตอนแรกหนูกับน้องก็ตั้งใจจะไปหาอาจารย์ใหญ่อีกค่ะแต่ว่าคือเอพอพ อ, พอถามไปแล้วเขาเงียบค่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าถ้าไปติดติดรอบหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ได้ให้นั่งกับอาจารย์ใหญ่แล้วค่ะจะเป็น แบบอีกแบบหนึ่งที่ที่แบบไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างน้องไปหาในอินเทอร์เน็ตคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าทวนยานหนูหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะใชหห่หนูเลยหนูเลยไม่กล้าไปแล้วก็เหมันก็ถามว่ามันจำเป็นจะต้องไปไหม ไว้แล้วนะมันจะทําให้ปัญญาสติเราดีขึ้นกว่าเก่ารู้เปล่าเพราะว่าของหนูสำหรับหนูตอนนั้นคือหนูค่ะหนูโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีอะไรไม่ไม่มีความกลัวค่ะพูดเลยเพราะว่าไม่มันสงบมากนิ่งมากเลยนะแต่ทีนี้พอถ้าถ้าจะเป็นขั้นต่อไปหนูไม่มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเป็นการ เราโทรมาแล้วเราไม่อยากจะไปเราไม่รู้ขั้นตอนเลยเนี่ยค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจแต่ถามว่าอยากไปถ้าจะไปอีกก็อาจจะมีที่อื่นนะคะอืมหรือต้อึกษาให้ถ่องแท้กันว่าเราเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องปฏิบัติอย่างไรค่ะกับข้อสอบอันนี้ค่ะเขาไม่บอกเลยถามไปในในมิสเซนเจอร์แล้วเขาเขาไม่ได้บอกอะไร แต่ว่าไปหาในอินเทอร์เน็ตเองคือเขาบอกว่าต้องมีไป14วันค่ะเพื่อ<ม>ที่จะไปไปทีละวันก็ได้หรือไปทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทวนยามอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ไม่ใช่การนั่งกับอันนี้ไม่ไม่ทราบว่านั่งหรือไม่นั่งยังไงแล้วค่ะอันนี้คือไม่รู้ข้อมูลเลยค่ะ<ม>นุ ก็เลยจะเรียนปรึกษาอาจารย์่เราล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนี่อาจจะเป็นเรื่องของของของเขาจัดสร้างขึ้นมาเองมันไม่มีอยู่ในหนลักตแล้วตอนที่ไปก็เหมือนตอนที่ก่อนจะจะจะได้ไปนั่งหอจารย์ใหญ่อะค่ะคือเขาจะมีผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ใสงหูเราด้วยหนูก็ว่ามันมีมันแปลกๆนึง พูดเสียงใส่หูเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะหนูหนูก็มีสติตลอดก็ก็หลุไปก่อนจะนะแนวทางของการปฏิบัติน้อแบบเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้ามันทำแน่งทำแน่งกาไปลงไปกันไดนูว่ามันไม่ไม่แมะแหลอ่ะเพราะว่าเขาดูเขา เหมือนเขาจะเน้นอะไรอภิญญาอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่าไม่ต้องไปทางแล้นอ่ะปิญญาไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญอะไรโหเลยเก็เลยแบบย<ม>ืดดึงแต่ว่าเพื่อที่อยากจะไปทดสอบเพราะขออาศัยสถานที่เขาอย่างเ น, นี<ม>้ยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนครั้งที่ไปนั่นก็ก็เอตามน้ําไปค่ะอ<ม>ตามตามนั้นนค่ะพระอาจารย์ก็เลย คิดอยู่ตอนแรกอะค่ะโอเคอันนี้น้องเมย์จะตอบยังไงไหเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกันดูกับน้องแต่ใจหนูคือหนูไม่มันไม่ด้อยากไปแล้วอ่ะอานการงานมันยากหน้าป่ะแค่นั้โนวันใช่คุยกันอยู่ค่ะว่าจะว่าจะเอายังไงก็เลยแบบมันแตกแปะนะอะไรเงี้ยแบบมันแตกแปะ ก็ต้อต้องหาข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนถ้าไม่ไม่มีชัดเจนก็อย่าไปเลยค่ะเพราะว่าเราไปหาที่อื่นแล้วที่อื่นที่ที่เปิดเผยอะที่เนี้ยเปิดเผยสุดแล้วค่ะอืว่าอการที่นั่งกับนั่งกับอาจารย์ใหญ่ค่ะที่เนี่ยเปิดเผยแบบว่าเท่าที่หาข้อมูลได้ค่ะแต่ที่อื่นเนี่ยคือแบบพอเข้าไปในเฟซในในเขาคือไม่มีไม่มีไม่มีรายละเอียด ไม่มีเลยค่ะที่นี่เขายังมีว่าทุกวันมีคนมาเท่านี้เท่านั้ น, นอะไอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนมาเท่าไหร่เนี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยไปเลือกที่นี่นะคะแต่พ อ, อ ถ, าถามไปถามไปคนต่อไปก็คือเขาไม่ได้ตอบหนูก็เลยยังก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะโอเคขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยค่อยรู้อืมตอนนี้ปฏิบัติแบบนี้ไปอยู่แบบปฏิบัติอยู่ตามลําพังไปสู้กับความอยากไปก็ได้ น้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วผมชั่วโมงือไม่น้องไปเคลื่อนที่ค่ะค่ะอาจารย์โอเคนะค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะอาจาีคนนิสาเชิญกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ อาทิตย์ที่ผ่านมามีการเจริญมรณะและสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีคนที่แบบใกล้ชิดตุดจักอ่ะค่ะเสียชีวิตไปสามท่านค่ะพระอาจารย์ก็เลยย้อนเข้ามาดูตัวเองค่ะพระอาจารย์ไปหม ด, หมดทุกคนไปหมดทั้งเขาทั้งเราค่ะค่ะพระอาจารย์ก็จะเพราะว่าสองท่านก็คือเหมือนเขาไม่สบายอยู่แล้วอะค่ะ แต่ว่าอีกท่านหนึ่งก็คือแบบค่อนข้างกระทันหันมากค่ะ<ม>คือคือเขากลับเมืองไทยแล้วก็ไปดำน้ำแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกเันปร<ม>ั บ, บเสียบพันนะคะพระอาจารย์คือก่อนไปนี่เพิ่งคุยกันก่อนเลยค่ะว่าเขาจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยแบบโอ้ก็ถามว่าต<อ>กใจไม่เคยคิดว่าจะไปตายอะไรนะค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบเขาอยู่ที่นี่นาน<ม>ก็ไม่เออ ไปต้องไปเสียชีวิตที่เมืองไทยอะคะ่ะ mm hmm. ก็ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจณจุดที่รู้รู้ข่าวะคะ mm ่ะพระอาจารย์แต่ก็สติก็ดึงขึ้นมาว่าเออมันก็เป็นธรรมดา mm hmm. คนเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาะคะ mm ่ะพระอาจารย์มันก็ทำให้เวลาช่วงนั่งสมาธิที่ลูกตอนจบสมาธิก็คือจะต้องห่องบทสวด ว, ว่าเออแต่เกิดแก่จะตายเป็นธรรมดาะคะ่ะ ก็รู้สึกแบบมันทําให้แบบดีอะมีความลึกขึ้นแบบเหมือนกับปกติก็จะจริงจริงก็จะท่องท่องบางครั้งก็จะแบบแบบเน้นแต่บางครั้งก็แบบเหมือนท่องแบบเหมือนท่องผ่านผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนแต่ทีที่ผ่านมามันเหมือนแบบจนดุดตรงนี้แล้วแบบลึกซึ้งอะค่ะมันเหมือนมันมันมันเป็นจริงขึ้นมาแเมื่อก่อนนี้ยังใช่ค่ะทฤษฎีอยู่ใช่ค่ะแบบบางครั้งมันก็มันคิดคือเป็นบางทีก็คิด คิดจ้ะค่ะคิดตามที่เราท่องแ<ม>บบที่ที่น้องขอท่องทุกครั้งอ่ะค่ะเราก็<ม>จะท่องตา ม, ม, ม, มใช่ไหมไม่เป<ม>็นข<ม>องจริงค่ะแต่แบบครั้งที่ผ่านมานี่มันก็มีบางครั้งก็รู้สึกว่าแบบมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เราเจออะไรเงี้ยแต่เหมือน<ม>อาทิตย์ที่ผ่านมามันเหมือนแบบมันอินนะคะเพราะมันเหมือนดีฟเข้าไปเหมือนเหมือนจะแบบเหมือนสมาธิจะเกิดขึ้นณตอนนั้นเลยค่ะอาจารย์เหมือนแบบอืเหมือนมันนิ่งขึ้นมาเลยอะค่ะ S <S ยังไม่ถึงอาการ32ลูกก็รู้สึกแบบเหมือนมันดิ่งอ่ะแบบจิตมันดิ่งลงไปอ่ะค่ะก็เลยรู้สึกแบบมารายงานการปฏิบัติการผูอาสาฟัง<ม>ก็ดีน<ม><ป>ะคะพยายามเห็นของจริงเห็นของจริงม า, าชามัดเจนป่ะค่ะผู้อาสาก็รู้สึกว่าจะต้องคิดให้มากขึ้นนะคะตามที่ที่พระพุทธเจ้า<ม>บอกว่าต้องคิดทุกวินาทีแต่ว่าบางทีมันก็ลืมไปอะาา่ะค่ะผู้อาสา เอาพยายามปลกสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็คือความตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์โอเคจนค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฟังของช่องคุณหมอวีค่ะอาจารย์รู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์เคยค่ะเรื่องแผนที่แผนที่บรรลุธรรมอะค่ะ คิดแล้วก็แบ บ, บฟังแล้วรู้สึกว่าเออแบบมันกระชับแล้วก็มันเข้าใจง่ายแล้วก็แบบเหมือนกับเรารู้ว่าเออเราอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เห ม, มือนพระอาจารย์เคยพูดมาเคยเคยพูดเรื่องนี้มามามาก่าอนหน้าเนี้ยค่ะพระอาจารย์เ พ, พูดมาอยู่เรื่อยๆเป็นเาลาผ่านไปผ่านมาจะไม่ลงเล็กบ้างหรือว่าเราเราแบบ เราฟังมาเยอะแล้วเราแบบเออเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วฟังแล้วแบบก็อบเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆสมัยก่อนอาจจะแบบเหมือนกับเป็นนักเรียนยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องพ่ามันมีคําศัพท์หลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ดีมากๆค่ะอ า, าจารย์ต้ไม่มีออไม่มีคําถามอันนี้สมของการฟังทำก็คือทำที่เราเคยฟังมาแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกมันก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามนูนนั่น ค่ะลูกฟังสองรอบเลยค่ะรู้สึกแบบ <c oughs> ฟังแล้วมันแบบตอนนี้มันคือคืออยู่ในหัวแล้วค่ะก่อนหน้านั้นฟังเหมือนยังแบบยังไม่อยู่ในหัวแต่ตอนนี้มันเหมือนมันมันฝังอยู่ในหัวแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างอนนี้<ห>นพอจะรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงจุดใด น, นะใช่ค่ะอาจารย์เข้าใจแต่แจ้งค่ะพระอาจารย์ฟังสองรอบจนครั้งที่สองอ่ะแสนลูกเขามาขอฟังด้วยค่ะ คือเขาเขามาขอฟังแล้วเขาลูกก็สงสัยปกติจริงๆเขาก็ชอบฟังนะคะแต่ว่าเขาก็แบบฟังผนผ่านอะไย่างเงี้ยแต่ครั้งที่สองเขาฟังแล้วรู้สึกเขาเหมือนจะเข้าพยายามจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเรื่องพวกนี้เราไม่ถือชอบก็ให้เขาฟังเองดีกว่าอย่างเงี้ยบางทีไปอธิบายให้ฟังเขาเขาจะไม่ไม่ไม่ไม่เข้าไม่รับจนกว่าที่เขาจะรับด้วยตัวเขาเอง นก็ ค, ค่ะก็ขอบกลับขอพขอบคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยค่ะอะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้รับรับคําสอนของท่านมาถ่ายทอดให้อีกทีหนึง่งแบบ พ, พระอาจารย์ก็เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีอ่ะค่ะพระอาจารย์สือ่อเข้าใจง่ายแล้วก็แล้วก็สื่อสารคือสามารถที่จะ จะเอาคำสอนของผู้เทเจ้าที่เข้าใจยากอะค่ะมาถ่ายทอดให้กับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ดีค่ะพระอาจารย์ก็ยินดียินดีแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะอโอเค่คะสาธุค<อ>่ะขอให้พระอาจารย์ทาน้เราจชให้เป็นประโยชน <ะ S 2> <อ>ก์นกันแล้วกันนะค่ะสาธุค่ะอ่าใบาที่เท็กซัสคุณสุภัตราอันนี้อยู่เท็กซัสเรือย่ที่ไหนอะดาโฮหรือเปล่า <The> กับกลับมาพิธ ก, การประจารย์เจ้าค่ะลูกอยู่ที่เท็กซัสเจ้าค่ะยังอยู่ที่ mm hmm. ทเท็กซัสวันนี้มาเอ่อสองสัปดาห์แล้วเจ้าค่ะลูกมาแคมป์ปิ้งกับสามีเจ้าค่ะไม่ได้อยู่บ้านมันก่อนได้ดูโซลี่อะไรจันทลุ ป, ปราคาใช่า ดูเจ้าค่ะดูเจ้าค่ะที่เอรูปมาอยู่ที่สเตทพาร์คทางเหนือเจ้าค่ะก็เลยได้ไม่เต็มได้ประมาณเก้าสิบเก้าจุดหกเปอร์เซนต์กเกือบเต็มมเ็มเจ้าค่ะก็มืดเหมือนนอเคยนะเจ้าค่ะก็ก็มืดเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ไม่มืดสนิทแต่เจ้าค่ะก็มืดอยู่เจ้าค่ะก็แปลกดีก็มาแคมป์เพื่อจะมาทดสอบตัวเองด้วยหลายๆอย่างแต่ก็ รู้สึกว่าอยู่บ้านจะดีกว่าเจ้าค่ะอยู่บ้านรู้สึกว่ามันได้เต็มที่อ่ะเจ้าค่ะมันเป็นตารางที่แน่นอนคือเราจัดตารางที่แบบว่ามันชัดเจนอ่ะเจ้าค่ะแต่พอออกมาข้างนอกมันก็จะต้องทํานูน่นทํานี่บ้างมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้เป็นตามตารางเท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกว่า ชอบอยู่บ้านแต่ถ้าท้าทายก็ก็ต้องก็ก็ลองก็ก็ต้องออกมาแคมป์เจ้าค่ะเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็สู้กับอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มีการปรับตัวไปตามเหตุการณ์เ้วค่ะเหมือนกับว่าพอเรามาแคมป์เนี่ยเราต้องพยายามปรับตัวให้อยู่ง่ายขึ้นคืออยู่บ้านเนี่ยเราจะค่อนข้างจะจะ จะสะดวกสบายอะเจ้าค่ะแต่พอมาอยู่แคมป์เนี่ยเราต้องอยู่แบบง่ายๆอาบน้ำแบบง่ายๆอะไรที่เราสบายๆมันก็มันก็ขาดหายไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. ก็เหมือนก็ออกมาฝึกความท้าทายแต่พอกลับบ้านไปก็จะตามตารางที่ได้ได้นั่งสมาธินานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าออกมาแคมป์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเดินมากกว่ามากกว่านั่งอ่ะเจ้าค่ะ แล้วก็แล้วก็อยู่กับความท้าทายของการใช้ชีวิตที่ต้องให้ให้สะดวกง่ายๆอ่ะเจ้าคะ่ะก็ก็ปรับตามสภาพเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะนี่ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่บ้างมันจะได้ปรับตัวเองให้เออสาะจะพยายามจะคิดว่า ถ้าเราปรับอยู่อยู่ง่ายๆมันก็ต้องมันจะได้แบบใช้ชีวิตง่ายๆเจ้าค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้แบบเออไม่ง่งยาขึ้นๆๆๆๆไม่ยู่ยงยายังไงก็ได้ยังไงก็ได้เจ้าค่ะอยู่กับบ้านเคยชินก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเราสะดวกสบายเกินไปอ่ะเจ้าค่ะก็ะพอออกมาก็เลยถึงรู้ตัวว่าอ๋อจริงๆเราเราควรปรับตัวเองให้มันให้มันง่ายกว่านี้อ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเจ้าค่ะ<ม> นะคะกลับสวัสดีปีใหม่นะเจ้าคะ่ะ <Yeah. S 2> รู้ว <Yeah. S 2> ไม่มีคำถามที่จา้าข <Yeah. Yeah. S 2> อบพระคุณเจ้าค่ะนพวันเชิญคอสมอลใช่ไหมหรือสถิติเปิดเปิดใหม่ได้มไหมกลับนามสการค่ะอยู่ประทุมเจ้าค่า<ร>ะลำลกาลำลูกาไม่มีคำถามคะ่ะเข้ามาฟังธรรมแล้วก็รอ ที่พี่อ้อมถามเมื่อกี้ค่ะอือเราลอยังไม่รู้ว่าจะไปจะไปดีนะไม่ดีนะถ้าถ้าจะไปทวนยานไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนที่ได้คือเขามีสาขาอหลายสาขามีที่ชนบุรีด้วยมั้งวันนั้นหนูถามแม่ชีถ้าไปก็คือเหมือนเราไปเริ่มใหม่ที่สาขานั้นก็คือเหมือนอเหมือนเราไม่เคยไปที่นั่นก็ไปนั่งเริ่มใหม่ หมดเลยแล้วก็จะได้เข้าไปนั่งกับอาจารย์ใหญ่ถ้าเราไปที่เดิมก็จะเป็นการทวนยานเหมือนเขาบอกว่าทวนยานก็คือเหมือนเรานั่งเครื่องบินเจ็ตแล้วมันเร็วมากแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้ยานอะไรเหมือนจะมีหลายยา น, นะะอะค่ะวันที่ไปทวนก็คือจะไปไปเหมือนกับเจาะลงไปว่าเราได้ยานอะไรหนูก็ฟังแหนูก็งงๆก็เลยไม่ก็คือพระอาจารย์ถามพี่อ้อมว่าจะไปนั่งกับอาจารย์ใหญ่อีกไหมเาก็เลยมาถามหนูว่ายังไงดี ปึกษากันก็เลยจัก็เล่นกนระทำถ้<ร>าไปก็ ไ, ไปที่อื่นได้แล้ว ไ, ไม่ได้มีมีความหมายอะไรหถามเฉยๆจะไปก็ได้ไมไปก็ไดไ้ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญอ่าโอเคขอให้เราเห็นความตายเห็นสุภาพก็โ okay. อเคแล้วไม่มีความรู้สึกขออยะนขออยงหวาดกลัวเนี่ยก็โอเคแล้ววันนั้นไม่ได้เห็นแค่ ได้กลิ่นได้กลิ่นเฉยๆคะ่ะทุกๆุก า, าทีเพราะว่าศพเขาเพิ่งเสียเ mm hmm. พิ่งเสียได้เก้าวันก็เลยกลิ่นแรงมาก mm hmm. แต่ที่เปิดให้ดูคือจะเป็นจะเป็นศพที่แบบว่านานแล้วลลใช่คะ่ะมีแต่หนอน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ไม่ได้เห็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเนื้อหนังที่ยังเน่าๆ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวมาก ก็ไม่เป็นไรกันดูไปว่าที่หลัคเกิดสภาพของร่างกายมันจะต้องเป็นไปอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราไม่ไม่มีอะไรสวยงามห่อร่างกายของคนเราคือดำหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้วมีแต่หนอนใหลวละการมาลาคะให้ได้นะความกลัวตายให้ได้นั้งทั้งทเป้าหมายเจ้าค่ะ โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะโอเคขอบพระคุณเ <Okay. S 2> จ้ า, าไปที่คุณสุภัตาพัฒนาพัฒนาบอวินชนบุรีกลับรมาศการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาร่วมฟังค่ะไม่มีคำถามแลยเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณแปมต่อแปมพัทยาเลย นำก่น้ำราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมเ อ, อ่อเมื่อวันอาทิตย์นี้ได้หยุดเ อ, อ่อได้ถือศีลแปดสองสองวันค่ะวันพระกับก่อนเ อ, อ่อวันโกนกับวันพระเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็อาการปวดท้องของลูกที่ลูกบอกพระอาจารย์เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วลูกคิดว่าน่าจะเป็นเพราะท้องลูกว่างนะคะที่ว่าปวดท้องค่ะ แต่ว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ท้องลูกไม่เป็นค่ะเหมือนว่าลูกทานอาหารเสริมเข้าไปค่ะน่าจะเป็นที่ร่างกายของลูกค่ะลูกคิดว่ามไม่น่าจะเป็นที่ที่สินแปดแล้วอาทิตย์นี้ได้ปฏิบัติทำถือสินแปดสองวันเหมือนว่าสงบเจ้าค่ะดีค่ะก็พยายามปฏิบัติเรื่อยๆ <c oughs> จะทำได้แล้วก็ยพยายามรักษาทำต่อไปแต่ว่ายอมรับว่าเรื่องเรื่องสินหานี่สินข้อสี่เจ้าขะก็ยังมีเหมือนเป็นนิสัยหรือเปล่าก็อาจจะยังแก่ยากนเจบุษาร์เลย <c oughs> ค่ะก็มีลูกมาขอตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องบอกว่าแม่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอมันก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดตรงไปจนจนลรอเวลาหรอกคาว่าไม่มีก็หมายถึงไม่มีให้เขามีแต่มีไว้ไวใช้อย่างอื่นมันก็ไม่ผิดแล้วใช่ไหมลูกลูกครบทวนแล้วทบทวนอีกเจ้าค่ะว่าอเออเราคืออยากอยากรักษาสิ่ให้บริสุทธิ์นะค่ะก็เลยคิดคิดจะคิดยจงไงดีเนาะคือถ้าให้ลูกลูกก็จะนิสัยเสียอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลย คิดหาคำพูดยังไงดีเนาะว่าจะทำยางไงดีเนาะก็เรื่อแบบไม่มีให้เขาแต่มีมีว้ใช้อย่างอื่นแต่ให้เขาตอนนี้ไม่มีแล้ว อ, อ๋อมีอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้กเราไม่ต้องอธิบายเขาเ้าไปแต่ว่าไม่มีก็ไม่มีแต่ความหมายของเราคือไม่มีให้เขาจค่ะลูกสบายใจขึ้นเยอะเจ้าคะ่ะได้อย่างนี้ก็มันก็อยู่ที่เจตนาด้วยเราก็หเพื่อ เพิ่อปกปิดความไม่ดีของเราหรือเปล่าแล้วเราพูดไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับโลกเราอย่างนี้มันก็เจตนามันก็ไม่มันก็มันไม่ใช่มันไม่ดีมันก็เจตนาดีอะอืมก็ผ่านไปแล้วูกสบายใจขึ้นเยอะเจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะโอเค ถ้าไม่ถาไมมั่นใจก็อย่าพูดเฉยๆลพูดูขอแม่ของทำเป็นเฉยๆไปอะ่เจ้าขาโอเคนะค่ะกลับขอคุณอาจารย์เจ้า่ะเออใช่บสันเนทอนแมร์แมีแลนด์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาใช่ไหมนึมาอ่าาพระอาจารย์ค่ะพอดีอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนเสียค่ะพระอาจารย์ยมก็เลย ก็เลยมัวแต่คุยกับเพื่อนทางเมืองไทยแล้วก็เข้าไม่ทันคือกว่าจะเสร็จก็ก็ก็อย่างนี้นะคะก็โยมก็เข้าใจแล้วก็โยมก็ฟังวรนอาทิตยสองรอบเหมือนกันค่ะพระอาจาร <Yeah. S 2> ย์โยโยมฟังพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ mm hmm. ไม่รู้กี่ปีแล้วค่แล้วก็ยังได้แต่แนวทาง mm hmm. ทุกวันนี้ก็ยังได้แต่แนวทางพระอาจารย์ก็ <c oughs> ยังดีก็ตองเรียนรู้ไปก่อนแล้วค่อยค่อยนํำหน้านต่อบเลย แต่ก็มีฝันบ้างนะคะเหมือนกับฝันบ้างเป็นบางทีว่าเออในความฝันเราก็ยังต้องยึดมั่นว่าเอ้ยเราต้องเดินทางนี้ทางนี้เหมือนมันจะมีผุดผุดขึ้นบ้างอยู่ในความฝันนะครับอาจารย์ก็ดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเรื่องอ่จันทรุปราคาโยมก็ดูอยู่เหมือนกันเดินยินดูอยู่หน้าบ้านนะคะก็เห็นอยู่ประมาณแปสิกว่าเอร์เซ็นที่มาได้ซียความจริงมันทำเป็นสุริยะใช่ไหมมัน ใช่ไหมใช่มคะพระอาจารย์มันเป็นโซล่าโซล่าคลิฟนี่ยฮะโซล่อคใช่ค่ะค่ะมันต้องสุริยุปราคาสุริยุปราคาค่ะยังก็ยืนดูอยู่หน้าหน้าบ้านแล้วก็ถ่ายรูปบ้างอะค่ะก็ก็ก็ดีค่ะพอดีพระอาจารย์ค่ะพอีเขาบอกว่าอ่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็เสร็จสี่โมงกว่าแต่ว่าช่วงที่มันภาพเดี่ยวกันจริงจงมันสองนาทีกว่ากว่าเท่านั้นเองอะค่ะช่วง ช่วงที่ดวงจันทร์บิดบังดวงอาทิตย์ของโยมมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่ๆท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดค่อยๆมืดเหมือนเหมือนทุ่มหนึง่งแล้วทุกอย่างเงียบหมดเลยไม่มีนกไม่มีอะไรเสียงทุกอย่างเงียบหมดหแล้วสักพักหนึ่งก็สว่างขึ้นมาเหมือนเดิมลูกสาวเราคิดว่าเป็นเวลานอาานแล้วมันด้วยกันตอนแรกยังมีผึ้งบินอยู่ตามต้นไม้บ้างนะคะแล้วพอถึงเวลานั้นมันก็เงียบเงียบไปหมดเลยอะค่ะทุกอย่างมันดูเงียบไปหมดแล้วก็ แต่เห็นภาพว่าพระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนไหวเคยดวงจันทร์หมุนเร็ ว, เ ร, วเร็วพอสมควรทีเดียวเห็นอ่ะออพระอาจารย์คะโยมอยากจะขอถามเรื่องการพิจารณาอาการ32นะคะ่ะว่าทุกวันนี้โยมก็ท่องอาการ32แต่พอถึงเวลาจริงพิจารณาเนี่ยโยมรู้สึกแต่ว่าตัวเองเอาแต่ท่องแล้วไม่ได้พิจารณาเข้าไปจริงๆว่าเราควรจะดูอะไรบ้างในอาการ32่ะคะ่ะ เราดูทั้งฐานที่สองดูทีละอาการผมลักษณะเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงดูไปทีละอาการดูแค่ลักษณะลักษณะของมันเช่นบอร์ดเป็นยังไงลำไส้เป็นยังไงถ้าเรานึกไม่ออกเราก็ไปดูภาพในนาวตมี่ก็ได้แล้วเราตระนักว่ามันมีกลิ่นมีความสุกปกอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้เพียงแต่ว่าแล้วแต่เราอันนี้ แต่เห็นภาพมันก็มันก็ไม่สวยงามนะความหมายล้วก็ต้องการดูที่ความไม่สวยงามของร่างกายแต่ถ้าอยากจะเติมกลิ่นไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะอยากจะให้มันสาดิสมากขึ้นก็เติมกลิ่นลงไปด้วย <c oughs> ให้มันเลื่อนเลื่อนเลื่อนไหล น, นองไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้เราจะดูแบบสะอาดสาดก็ดูแบบอนารตมีภาพถ่ายหรือภาพเขียนก็ได้ใช่ไหม เราไปเสด็จเนะี่ยคำว่านาตามีดูแล้วก็ดูดูอวัยวะต่างๆใช่ค่ะพระอาจารย์คือยมดูแล้วมันก็เป็นแค่อวัยวะต่างๆซึ่งมันไม่มีความไม่มีความสุก ป, ปกมันก็เป็นแค่อวัยวะอย่างไงนะคะเท่า น, นี้ต้องดูตอนที่เขาผ่าสมชนสุดศพนี้ยมเคยดูมันเคยมีที่เขาเอาศพมายืนตั้งไว้แล้วก็ดึงหนังลอกออกมาชิน้นๆแล้วก็ กลรมเหนือเห็นอวัยวะภายใ น, นแต่มันอาจจะเป็นหนังสือนะครกายคตาสติก็มีภาพต่างๆเคยเคยดาวน์โหลดไปดูไหมค่ะเคยดูแล้วค่ะดูแล้วก็อย่างงั้นแหละก็ได้แค่นั้ น, นก็พอแล้วละ่ะดูดูให้มันเห็นว่าร่างกายมันมันมีทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยนะอย่าไปหลงว่ามันมันสวยงามแล้วดูแล้วก็จับเอาไว้ที่ใจใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าพิจารณาอยู่ดูเพื่อให้มันจดจํา จำไว้ต่อไปเวลาเราดูใครเราก็ดูตะลุเข้าไปข้างในเลยดูเหมือนตาอิสเลยแล้วก็พิจรารณาด้วยว่าเราก็เป็นแค่ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วอีกนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดทั้งเขาทั้งเราค่ ะ, ค, ะค่ะจะได้จะได้พิจารณาเก็บเอาไว้ในใจคะ่ะก็แค่เควลาที่เราเห็นใครเราเราหลงไหลเขาเนี่ย แสดงว่าเรามองไม่เห็นนสุภาพของคําออืเราก็ต้องพยายามมองให้หนสุภาพเราคําหลงรักเขาอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเรามันก็จะหายไปอืมค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะว่านนรู้สึกความหมายก็คือไม่ให้เราไปหลงรลักร่างกายของใครมันมันไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดจะตายเลยแต่เรามองไม่เห็นมันถูกหนุงถูกผิวหนังบาง หุมห่อปกปิดเอาไว้ท่าง น, นี้เราต้องแหวกมันออกมาแหวเข้าไปดูใต้ผิวหนังโครงกระดูกนี่มันสวยงามเลยเนี่ยพวกเราทุกคนมีโครงกระดูกยนี่ยเรามองไม่เห็ น, น, นกันถ้าเกันท่านหังเราเป็นแบบจงพอสติงพอสติกใสๆนี่ก็คงจะไม่มีใครชมว่าสวยงามเหมือนนะั้นเธอวันนี้หน้าตาทันดีเกนินเหน็เห็นกระโหลกศีรษะอยู่ชัดๆอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ ค่ะทุกวันนี้ก็พยายามพิจารณาอย่างนั้นอยู่เวลาดูอะไรเราก็จะมองลึกเข้าไปพยายามให้มันลึกเข้าไปอื ม, มันเป็นร่างคนนะคะให้มันเห็นอาการต่างๆที่มันเป็นของจริงอ่ะเราไม่เราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหรอกเพียงแต่เราถูกหนังบางๆมันตกปิดไว้ทั้งปิดบังไว้เราต้องการเปิดสิ่งที่หนังนี่มันปิดบังอยู่ให้เห็นสิ่งที่ซ่อนใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้าง อย่างที่ภาษาอังกฤษเขาว่า beauty skin deep ใช่ไหมค่ะ<ช>อ่ามองเธเข้าไปใต้ผิวนหนังแลมัน beauty ก็หายหมดใช่ค่ะอ่า ม, มองก็เหมือนกันหมดทุกคนก็เป็นท่านั้นแหละทั้งหญิงทั้งชายพราวใครก็ตามถ้าคุณจะได้ไม่หลงไปลากใครค่ะแล้วก็พอเวลาปฏิบัติไปมากขึ้นมัน ยัรู้สึกว่ายังสามารถแยกแยกสติกับสมาธิได้ได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเอเดินพอเริ่มเดินจงกรมบ่อยขึ้นมันมีความรู้สึกรู้ตัวอยู่บ่อยคือมันดึงกลับมาที่ตัวเองได้ได้บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเอยด้วยดี่สดงวาสติแเราก็มีมากขึ้นนะไน่ปล่ยให้ใจลอยไปที่นู่นที่นี่ใช่ค่ะเอะเวลาเกิดเออะไรมากระทบก็รู้ตัวเร็วขึ้นแล้วถึงวลา ถึงเวลาก็กลับมาปฏิบัติสมาธิเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มรู enfin ้สึกว่ามันเห็นเห็นชัดขึ้นเห็นรายละเอียดมากขึ้นในการพิจารณาธรรมะค่ะอืก็ถือว่าดีค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอย่อยนื่องไปเลื่อยพยายามทําไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณธรรมะของพระอาจารย์กับพระพุทธเจ้าเช่นกันนะคะที่ทําให้อถึงทางเดินว่าจะต้องไปทางไหนต่อค่ะขอบคุณ ค่ะสาธุรัดขันแข็งแรงนะคะพระอาจารย์คุณยินดีจากแคนซัสเนาะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะไอโอวาเลยเแล้วกลับมาแล้วมาแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์คือลูกกับเดวิดชเข้ามากราบท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอยส่องเต้เหมือนเดิมท่านอาจารย์สวัสดีคุณไปดิก็มีสงการไปไหน่ะมีอยู่สงการวะ ออก็เมื่อคราวที่แล้วที่ท่านอาจารย์ถามาวาค่ะว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เดวิดเขาก็เตรียมหาให้แล้วค่ะแล้วก็เขาให้หนูกลับก่อนนะคะท่านอาจารย์<ม>ก็หนูวันที่ยี่สิบอะค่ะถ้าอาจารย์<ม>เดินทางค่ะท่านอาจารย์แล้วก็<ม>หนูกลับก่อนก็เดวิดเขามีช่วงประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเขาก็ตามไปทีหลังก็เดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนนึ่งค่ะแล้วก็ตามหนึ่งไป อาจารย์โอค้่าอาจารย์มีหมยด้วยค่ะท่านอาจารย์ค่ะาบอกสองเต้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่าสูงค่ะค่ะ้าอ่าไวรัสสมบูรณ์ตาคุณปุ้ยปุ้ยที่รักสมบูรณ์มีสงการไหมอยานวัตกรรม่าอาจารย์เมรักษสมบูรไม่ไม่มีตอนช่วงสงการแต่ว่า มีบางกลุ่มเขาจัดกันค่ะพระอาจารย์แต่โยมไม่ได้ไปเพราะว่ามันไกลเขาจัดกันอยู่ทางเหนือแล้วมันมีการละเล่นซึ่งมาปะปนเรื่องเครื่องดื่มอะไรด้วยแลวเราแบบมันมันรู้สึกเราอยากจะอยู่คนเดียวเราโลกโลกส่วนตัวเราสูงอ่ะเราอยากจะปฏิบัติภาวนาโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาแต่แต่ว่าอาทิตย์นี้มันสะดุดหน่อยพระอาจารย์เมื่อวันศุกร์วันเสาร์อ่ะ โยมเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าตัวโยมเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบว่าเราไม่เคยเป็นมาก่อนนะพระอาจารย์อยู่ๆมันก็มันหมุนหมุนอ่ะมันเหมือนหมุนหมุนมันเหมือนเอิร์ธเก็กอ่ะแลวทีนี้แบบพอพอหลังนะวันพระพอเข้าวันพระปุ๊บโยมหายเลยโยมไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่สบายนะโยมก็สบายดีพระอาจารย์แต่โยมก็ไม่รู้โยมเป็นอะไร เออมันเหมือนบอกเป็นอันารยจมันไม่ใช่ไม่ก่อกนเปลด่ยไปเปลี่ยนมาใช่ค่ะแ ต, แต่แตแล้วพอวันรอเริ่มมันพระปุ๊บโยมหายเลยแล้วโยมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเลยอ่ะอ่ะโยมก็ไปทำบุญมาหลายบุญเลยวันนี้โยมดีใจโยมก็เลยเอาบุญมาถวายพระอาจารย์ โยมว่า ม, มีอะไรหรอกโยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้โยมได้เดินทางธรรมอย่าได้มีปัญหาอย่าได้มีอุปสรรคอะไรเลยค่ ะ, อะขอให้เป็น<ม>ประับที่ปฏนาฏิารนะค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์โออยมอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับพระล่วงน่ะพระอาจารย์เอาไปคนในใ น, ะ น, นองไปคนในอินเทอร์เน็ตดนตามกูเกิลดูดดดดดรออ่า เราใส่คําว่าพระร่วมเข้าไปหนึ่งก็จะไม่กระพงก้นมาเองคือคือคืออืมอมคือว่ายมเชื่อนะเพราะยมได้ยินมานานแล้วแต่กะเพราะปกติคนเขาจะไม่หลอกกันแต่ว่าโยมไปร่วมหลอกกับเขาเนี่ยคือว่าการหลอกพระเนี่ยมันจะทําให้เราอะเกิดชาติหน้าแล้วเรามีผิวพรรณดีจริงไหมฮะอาจารย์อันนี้เราไม่รู้นะคุณไม่น่าเทาที่เราสร้างผิวพรรณดีนะี่มักจะเกิดจากการทําบุญทำทานน โอใช่ใช่ทำบุญดำๆไม่ว่าจะเช่นไหนก็แล้วผิวพรรณผ่องใสร่างกายสวยงามโยมก็ชอบทำบุญเยอะๆก็แล้วกันโน้ยโยมชอบใช่โยมทำบุญเยอะเลยมัประจันคมโลกคมด้วยจะบุญจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรก็ได้หล่อพระก็ได้สร้างให้ขอทานก็ได้ สร้างน้เหรียญโยมไปสร้างเหรียญเหรียญถวายพระสารีพิกทาตมาเหรียญทองค่ะคือคือเขาเรียกอะไรนะภาษาภาษาเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้โยมก็ไม่ทราบค่ะโยมจําไม่ได้แล้วคือเป็นเป็นเหรียญทองที่เขาถวายพระพุทธเจ้าค่ะเขถวายพระสารีพิกธาตุนะฮะได้มันย้อนย้อนไปก็แล้วกัน ไม่เป็นไรค่ะโยมจุดเอาไว้หมดเลยโอเค่ายโยมไม่มีอะไรแล้วพระอาจารย์ขอน้มถวายบุญทุกบุญโยมปฏิบัติเหมือนเดิมกลางวันศีลเจ็ดกลางคืนศีลแปดหลังหกโมงศีลแปดค่ะพระอาจารย์เลยศีลวันย่เจ็ดตอนนอนก็ได้นอนนอนหลับก็ไดทาร้อยสามสิกว่าก็ได้โอเคสาธุ คะโยมฟังพระจารย์น่ะตลอดทุกทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะบางเมาเนี่ยเขาเลยทำเมาเนี่ยบางว้างๆเดี๋ยวมันจะเมาใช่วันนี้โยมมาเข้าสายโยมขอเข้ามาเพราะว่าโยมน่ะไม่ได้ไปทําอะไรหรอกพอโยมตั้งใจแล้วว่าโยมจะเข้าก่อนเวลาเข้าให้ได้ทีนี้มันเหมือนมามันมาผจนตอนนี้โยมก็อยู่ๆโยมก็หลับไปแต่มันมันมัโยมไม่เคยไม่ได้เคยฝันหรอกแต่โยมตึกได้ยินเสียงคล้ายๆ อ ย, ย่างพระอาจารย์หรือใครไม่รู้ stroke. ตะโกน C, ต, mantra, ตื่นตื่นเยโยมก็ตื่นโอเคนะข่าพระอาจารย์ขอเขมาค่ะขอให้พระ <Suit> อาจารย์ทาตคขันแข็งกลนงนะคะให้สุขให้สบายให้เราไม่รวยนะน้าาคุณนันคุณนนอุดรธานีการธรรมสถานะคะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะ โอเคไปที่คุณเจนเฟสบุ๊กมามาตการค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะโยมเข้ามาร่วมรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ๋ยค่ะ okay. ฟังได้เงา <laughs> เลยฟังลราก็ได้ได้เอามามาคิดนะคะพระอาจารย์หลายๆอย่างหลายหลอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎของไตายักณหรือว่าการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของธรรมดาซึ่งเมื่อก่อน เมื่อเดือนอ่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะพระอาจารย์โยมป่วยป่วยเป็นหลายโรคเลยค่ะพระอาจารย์เสร็จแล้วโยมก็ร้องห่ะเสียใจจนกระทั่งมีอ่าแม่ชีรูปหนึ่งเขาบอกให้โยมปฏิบัติธรรมสิพอยมปฏิบัติแล้วมันทําให้เราเข้าเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์เกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นของธรรมดาจริงๆไม่มีใครสามารถมีรอดมันไปได้นะคะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยรู้สึกสบาย สบใจครับอาจารย์ใช่เมื่อที่เราลืมไปเพราะเราไม่คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆใช่เลยค่ะอาจารย์แล้วทุกวันนี้โยมก็สอนลูกด้วยนะคะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะลูกสอนลูกด้วยค่ะอาจารย์สบายใจอะค่ะอาจารย์อ่าดีมากาขอบคุณนะสาธุค่ะอาจารย์อ่าไปที่คุณหมอสุทธัชเนตรยินปทุมธานี มนมรส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคํายังปฏิบัติเหมือนเดิมยังปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะไม่ถูกกับเรื่องสังขารร่างกายแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เรียกว่าสามารถปล่อยวางได้เยอะขึ้นมากเลยเจ้าค่ะ อ, อย่างอื่นด้วยเจ้าค่ะอปล่อยทัย้อย่าง ม, ม, มันมีข้อสอบเข้ามา โดยที่ลูกไม่ค่อยได้พิจารณาเท่ากับการพิจารณาร่างกายค่ะเรื่องอเกี่ยวกับท่านอาจารย์จะสั่งสอนเสมอว่าให้พยายามปล่อยอ่าสิ่งของภายนอกก่อนค่ะพอดีประสอบเข้ามาถึงแม้ว่าเราไม่ได้พิจารณาอยู่เนือ ง, งแต่ว่าทําที่ท่านสั่งสอนมันก็สามารถเข้ามาปกป้องความทุกข์ได้เลยเจ้าค่ะทําให้ใจเราสามารถปล่อยวางได้โดยคันคังเร็วเจ้าค่ะ ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกไม่มีอะไจะอยู่กับเราเป็นตลอดเรามาตัวปเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปตัวปเปล่าเปล่าไม่อะไรติดตัวไปวันนี้ลูกไม่มีอะไรเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะตาคุณกาฟกาฟีจากนวัสการครับอาจารย์ก็ไปปฏิบัติมาครับ ไปปฏิบัติที่ไหนที่ที่บ้านนะครับก็อาจารย์บอกว่าก็ไม่ค่อยฝึกสติก็คือก็ก็จริงๆก็คือรู้ตัวว่าไม่ได้ฝึกสติครับก็เลยนั่งนั่งสมาธิก็วันแรกก็ประมาณยี่สิบนาทีสองรอบก็ได้ประมาณสี่วันคือตอนแรกก็นั่งก็ฟังหลวงปู่ทวยนะครับฟังแล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็แบบ มันกระแทกถึงใจรู้สึกร่างกายไหวนิดนึงพอวันที่สี่รู้สึกว่าฟังแล้วพอจิตสงบแล้วมันมันออกไปรับรู้ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่แบบเสียงเรียกที่แรงมากเราก็บอกไม่ใช่แล้วก็สมาธิก็แตกไปแล้วก็ก็มาคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นเออุปจารสมาธิหรือเปล่าแล้วก็เหมือนวันเสาร์เราก็ได้ฟังพระอาจารย์คพูดเรื่องอุปจารสมาธิ ก็ก็เลยได้พิจารณาว่าคือเหมือนก็ไปรู้อะไรบางอย่างอะไรเนี้ยคือปกติเคยรู้มาแล้วแต่ว่าเหมือครั้งนี้มันรู้แล้วทําให้ใจฟุ้งซ่านก็ก็ก็เลยนั่งต่อไม่ได้นั่งได้สี่วันครับเหมือนพยายามแล้วแต่ว่ามันมันก็ยังไปออกไปรู้คือคือหลังจากที่มันมีเสียงเรียกที่มันดังมากปกติคือนั่งสงบมาตลอดไม่ไม่มีเสียงอะไรเลย แต่ว่ามันมีเสียงแบบเป็นงูมันเรียกว่าแบบเป็นแม่ของเราอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันสะเทือนใจอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้แล้วไม่ดึงสติกลับมามันก็เลยไปก็ดึ<ำ>ดงดึงแล้วแล้วก็สอนใจว่าแบบว่าเอ๋อเ อ, อ้ยไม่ใช่อันนั้นแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องที่คิดเป็นภพชาติจริงๆไม่แน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่แต่ยังก็ยังก็ไม่ลงก็ยังไม่ได้นั่งต่อก็ก็กวัดต้องต้องพิจารณา อนใจไปเลยใช่ไหมครับว่าคือเราต้องไปสงบเลยใช่ไหมครับก็ดึงสติกตกรมาต้องพุทโธพุทโธอยากิีเกียจพุทโธพุทโธอย่าไปคิดยิ่งคิดมันยิ่งยาวไปอย่างบางทีเราเรารู้ไม่แน่ด้วยความรู้เราไม่ได้แบบว่าชัดเจนครับแล้วก็เราไม่กล้าไม่กล้าคิดหยุดคิดดีกว่าปราบปราบความคิดดีกว่าอย่าไปหลงเล่นกับมัน อย่ามันหลอกเราห ล, อ, หลอให้เราหลงก็กลัวกลัวจุดนี้ก็เลยไม่กล้าไม่ไม่กล้าทาต่อเพราะว่าเดี๋ยวไปพุโทโธไปเยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยก็มีเท่านี้ โ, โ, โ, นโอเคนะต้องพยายามทาไปเรื่อยๆนะอย่าหลทางช่วอย่าไปถูกมันหลอกมันหลอกให้เรา ครับฟังพระอาจารย์ทุกคลิปเลยแต่ว่ายังไม่ยังยังยังไม่ได้ทราบก็เลยมาถามแบบนี้ครับนี่ขอบผมครับอไปใช้พุทโธเลยพอไม่รู้จะทําอะไรกับพุทโธพุทโธไปเลยครับไปโอเคไปที่คุญชนา ด, ดาเชิญอยู่ที่ไหนสมบูรณ์บากาลและกุญชนะ ด, ดานามัสการกลับนามัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้อยู่ศรีราชาค่ะ ค่ะมาบ่อยไม่เสียชา่าบ่อยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าทำงานที่นี่ค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ไปไปมามาค่ะ<ม>ก็ดีค่ะพระอาจารย์<ม> <c oughs> ขึ้นเถาดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้ล่าสุดเนี้ยก็เอ่อภาพภาพที่เห็นที่มันไม่ได้เห็นจากสายตาคือมันผุดขึ้นมาในจิตยอย่างเช่นว่า นนั่งสมาธิแล้วก็เห็นเห็นเป็นภาพพระอาจารย์นะคะแล้วก็เสร็จ แ, แล้วพระอาจารย์ก็แห้งเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะ อ, อันนี้มันมันเป็นความม โ, โนในจิตหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันมันมันมันเห็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อ๋อมันจะเป็นแบบไหนไม่สําคัญมันดูให้มันว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าค่ะแล้วลูกก็เลย เอาตรงนี้ไปพิจารณาอันนี้อันนี้คือยกยกเอาไปพิจารณาเอาดูคนดูคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะจากเป็นเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นแท่งเป็นกระดูกเหมือนที่เราเห็นพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนสอนใจอ่ะค่ะพระอาจารย์อย่างนี้นําไปคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยได้ไหมคะพระอาจารย์หนการคิดกับทุกคนเลยทั้งโลกเลยทั้งโลกเข้างปเลค่ะพระอาจารย์ค่ะ แล้วก็ดูลมหายใจก็คือละเอียดขึ้นนะคะพระอาจารย์อเละเอียดขึ้นก็บางทีก็เอตอนนั่งเนี่ยอพอมันสงบสงบแล้วลูกก็มันทําท่าเหมือนจะดิ่งแต่มันไม่ดิ่งมันก็เจิ๋วอย่างเงี้ยมันจะดิ่งแล้วมันก็ไม่ดิ่งอะไรของมันอยู่แค่อย่าไปอย่าไปสนใจมันให้เราอยู่กับพุธอยู่กับการพวนาำไปค่ะพระอาจารย์ยิ่งไปดูมันมันยิ่งไม่ดิ่งใหญ่ พอใจรับอาจารย์เราใช้พุทโธแล้วก็พุทโธไปดูลมก็ดูลมไปค่ะก็ก็ถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวมันเด่งให้เราเองพอเราไปสนใจมันก็ไม่เด่งมันอายมันขี้อายเป็นตลบดีอะค่ะพระอาจารย์อืาอกวันไม่ดีเลยถ้าไปคอยฟังวันมันไม่ยอมมันไม่ แต่ถ้าเราไม่ไปเฝ้ามันเราทำไมันไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวมันก็เด็อย่างนี้ค่ะอค่ะค่ะอ า, าจารย์เพราะรู้ก็ว่าแบบเราก็สงบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราสงบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ภาวนานะเราคิดอย่างนี้ยแสดงว่าเราไม่ได้ภาวนานะอ๋อค่ะอ า, าจารย์เราต้องอยู่แบบพุโทโธพุทโธไปเพืดูลม<า>ไปค่ะพ่ะอาจารย์โอเคนะค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรนะ อืมเหมือนจะมีอะไรนิดนึงแต่ว่าจำํำ อ, อ่อมีนิดนึงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนตอนเนี้ยค่ะมันเหมือนแบบลืมอะไรไปตั้งหลายอย่างมันขี้ลืมหนักมากเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันแบบแม้กระทั่งชื่อคนก็ยังทีบางทีจําไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วพอนอนตอนเช้าตอนเช้าพอรู้สึกตัวปุ๊บคือพอรู้สึกตัวยังไม่ทันลืมตาใช่ไหมคะพระอาจารย์มันนึกมันต้องนึกก่อนว่าเรานอนอยู่ที่ไหนอะค่ะพระอาจารย์ ช่วงเนี้ยค่ะก็สัญญาณนิจาเลยก็พิจาจริญว่ามันเป็นของไม่เทีย่ยงความจำบังคับมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์วิธีที่จะที่จะสู้กับความความหลงเลยนก็คือต้องใช้สติให้มากขึ้นทำอะไรให้เรารู้รู้สึกรัว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทุกขณะเลยอันนี้มันก็จะ ไม่ค่อยลืมเท่าไหร่แต่เรื่องชื่อคนเรื่องอะไรนี่มันอาจจะลืมได้แต่เราจะไม่หลงไม่ลืมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเมื่อกี้เราทำอะไรถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเราเวลาค่ะอาจารย์ถ้าฝึกสติไปเราจะไม่ไม่หลงไม่ลืมแต่มันมันอาจจะจาไม่ได้บ้างบางอย่างถ้าคนบางคนไม่เจอกันบ่อยๆไม่เจอกันนานๆมันก็ลืมชื่อได้บางทีค่ะอาจารย์ ค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึง่ะคะอาจารย์ลูก ร, รู้สึกว่าเออ่จิตรู้มันละเอียดขึ้นตรงที่ว่าปกติแล้วเวลามันมีกรณีอ่ออันนี้จะเป็นเรื่องงานบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกฝั่งอีกออีกอผู้ที่เป็นเจรจ า, จากับเราอยู่เงี้ยค่ะแล้วเขาเขาเริ่มโมโห จากคําพูดอะไรเราเนี่ยค่ะที่เราไม่ทันคิดอะไรเงี้ยค่ะว่าจะทําให้เขาโมโหเพอเขาพอเราเห็นเขาโมโหปุ๊บทั้งๆ ท, ที่จริงๆเราเราก็คิดว่าในเวละที่คุยเนี่ยเราไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ลูกเห็นความโมโหของเข า, าล่ลูกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเห็นใจรู้สึกลูกรีบขอโทษเลยค่ะพอาจารย์ขอโทษแบบเอ่อรู้สึกเมตตารู้สึกรู้สึกแบบเออลูกเออเราผิด ตรงไหนไม่รู้แหละที่พูดแล้วทําให้เขาโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็รีบขอโทษเลยลุสคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องเอาชนะถ้าเรายิ่งยิ่งยิ่งถูกต้องยิ่งถูกต้องเรายิ่งจะต้องจะต้องเอาให้เขาอยู่พูดให้เขาอยู่อยู่ภายใต้อะไรของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนเนี้ยมันกลับฝั่งนะ้วคะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่า เราไ<ร>มีความเมตตาเลยเราไม่อยากจะสร้างความเจ้าคุยกับใครใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นแ<ม>บบนั้นเลยค่ะ<ม>เป็นเป็นเยอะเป็นเป็นเป็นเกือบทุกครั้งเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีแล้วเนีค่ะนาปฏิบัติธรรมต้องมีความเมตตานค่ะพระอาจารย์ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะทําให้คนอื่นเสีย อ, อกเสียใจแล้เดือดร้อนจากการพูดหรือการการะทํำของเราค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่ดีค่ะก็ค่ะค่ะ แต่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความจำนะมันต้องเสื่อมไปเรื่อยๆค่ะค่ะแต่บางอย่างเราสามารถบะคลองไว้ไม่ให้ไม่ให้ลืมได้ถ้าเรามีสติเราทําอะไรเรามีความรู้สึกโดยตลอดเวลาเรื่องที่เราทํา้ำเราจะไม่ลืมค่ะค่ะผู้อาวุโสโอเคนะได้ค่ะพู้อาจารย์น้อมรับค่ะผูะอาวุย์กลาวขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอืมไปที่คุณแนทจากคุณต้าต่อจนบุรีใช่ไหม นามาสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ชลบุรีครับอาจารย์ครับยังไงวันนี้มีอะไรหมเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะพระอาจารย์แต่สั้นๆค่ะวัดป่ารัตนวันค่ะอ๋อของที่เจ้เขาใหญ่ใช่ไหมของพระอาจารย์สมัยโสดครับใช่ครับมีพระผาหลังบรรเจ้าว่านะใช่ครับพระอาจารย์ญานาค่ะอืครับ อาจารย์พูดไทยเก่งไหมพูดชัดมากเลยครับชัดมากไม่รู้ว่าแบบพลังเลยครับครับผอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็เมตตาสอนให้ให้มีสติระหว่างวันครับระหว่างอการดํานินชีวิตประจําวันดำเนิให้มีทั้งวันเลยครับครับก็ได้นําแนวความคิดกลับมาในการดํานงชีวิตประจําวันในทางโลกก็พยายามมีก็รู้สึกมีสติมากขึ้นครับอาจารย์ ครับครับแต่ก็ต้องฝึกต่อย ไ, ไปไปตลอดครับก็ทําทไปเรื่อยๆงานนี้มันเป็นงานที่จําเป็นจะต้องทำนะอ่าถ้าเราการจหุดพ้นจากความทุกข์มดต้องเริ่มตอนที่สติเนี่ยครับครับจะพยายามไม่ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งตรงนี้ค่ะแล้วก็ อ, อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้งานเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ก็พยายามจะแบบไม่ทิ้งการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ อย่าไม่ควรจริงว่าไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับทำที่เราปฏิบัตินะค่ะครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอาจบรย์้ยนดีคุณประนอมต่อคุณประนามอยู่ที่ไหนจ้าคุณประนามกราบธรัมการพระอาจารย์อยู่เสรามอีก่อนอ่าเซรามอ่ะใช่ชอบดยไ ใช่เลยเลยปฏิบัติต่อเนื่องจ้าค่ะไม่เลืมทาคําสั่งสอนแล้วก็ยังไปถือศีลแปดอยู่ที่วัดอย่างสม่ําเส ม, สมอก็คนเดียวค่ะก็ถ้าอาจารย์เจ้าว่าท่านกลับมาจากเมืองไทยท่านก็เมตตามาพาทาวัดเสวดมนต์เย็นแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามแต่ท่านก็อบรมทำคําสั่งสอนอยู่สม่ําเส ม, สมอแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อ ก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะเขามาฟังทำน้อมน ำ, นำทำทำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์ไปปฏิบัติอสม่ําเสมอเจ้าค่ะมีมากนะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเจ้าะอาจารย์อขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วคอยคอยมีดวงตาเห็นธรรมนะวันใดวันหนึ่งรับในราสการเจ้าค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ พร้อมพร้อมทั้งทางใจนี่คือพร้อม100 1 0อยปเซ็นตทางใจก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลสามีอยู่ก็คือควบคู่กันไปแต่วันไหนที่หนูไปวัดเขาก็จะเข้าใจค่ะหนูขออย่างไยก็สองวันไปถือสิบแปดแล้วก็ที่บ้านก็ปฏิบัติต่อเนึ่องเจ้าค่ะอะไรมากระทบก็มาแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปนด้มากไ <laughs> ด้มาก <laughs> โอเคนะเจ้าก่กลับขอบคุณอาจารย์อีกครั้าค่ะสวัสดีคุณอาภิสิทธิ์เชิญสกลนครให้ไม่ลืมเล่คุณอาภิสิทธิ์สกลนครนี่รการนวัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับออืเข้ามาร่วมฟังธรรมครับอาจารย์โอเคดุจสบายดีนะสบายดีอยู่ครับอาจารย์โครงการไม่เดินทางไปไหนนะ๋อไม่ได้ไปครับอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยอ มีแต่คนจะกลับต่างจังหวัดกันนคนต่างจังหวัดไม่เข้ากรุงเทพของเราเนี่ยครัอาจารย์ครับเอออ่าคุณปางวะไรยันศีราชาแบกในมันสการเจาา้าค่ะก็ไม่มีคําถามเหมือกันนะคะเอ่าแค่เดียวว่าที่หนูไปวั ด, ว, ดวัดนาจอมเทียนตอนเชา้าใช่ไหมคะมแล้วหนูก็มันไม่ค่อยมีคนหนูก็พอนั่งสมาธิหนูก็เลยลองเอากล้องตั้งอะคะ่ะ อ่าที่จะลองดูว่าเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะเราเราดีขึ้นไหมก็พอกล้องมาเช็คดคูอมันก็นั่งนิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะอ่าแต่ว่าในในข้างในอ่ะจิตเรายังดิ้นอยู่ก็คือต้องใช้เวลาในการที่จะบริกรรมพุทโธหรือท่องคาถาสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบห้านาทีมันถึงจะค่อยๆนิ่งค่ะอืมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องมันมันเหมือ น, นกับเรา จิตเราพอเร า, เราส่งออกนอกแล้วเราไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ค่ะก็ใช้พุดโทรเรียกกลับมาแต่มีเมื่อวานเนี่ยเจ้าค่ะมันกับนั่งแล้วมันพอพอมันเริ่มลึกลงไปค่ะหนูหนูว่าหนูนั่งนานจนกระทั่งหนูหนูเกือบจะไปทำงานสายหนูต้องแบบหุนไปเรียกตัวเองออกมาว่าแบบออกมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ถ้าถ้าเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดหนูว่าน่าจะนั่งดีกว่านี้ค่ะ อ๋อซ้อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจนกว่าจะเต็งจะตายค่ะมีจนกว่าจะบรรลุนะกรับขอพระคุณเจ้าขอขอชาตินี้เลยดนะคะเอาเลยเจ็ดวันเจ็ดวันในภายในเจ็ดวันได้เลยดีไหมดีแต่ว่าถ้าน่าจะยังยากเพราะว่ากิเลสกิเลสเรื่องงานนี้ยังหนาอยู่ขอเป็นเจ็ดปีเลยเจ้าค่ะโอ้เจ็ดปีเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เข้าปีที่สี่แล้วนะคะเออเอออีกไม่กี่ปีโอเคเล่มเ่มหน่อยนะ คาสาธุดจักคาขอบพระคุณทำพระอาจารย์กับพระพระพุทธเจ้ากับคุณกรต่อคุณกรอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอยู่ที่บางนากรุงเทพครับพระอาจารย์กามัสคุณเข้ามาครั้งแรกเหรอครับพระอาจารย์มีอะไรไหมก็ปกติได้มีลองทําก็คืออยู่กับลมหายใจแล้วก็พยายามเจริญสติในระหว่างวันอยู่เรื่อยๆครับอยาก กราบขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ช่วยเมตตาด้วยครับก็ดีแล้วเนี่ยพยายามฝึกสติไปทั้งวันทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําก็ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วอยู่ที่คำอะไรกมพุทโธพุทโธไปแล้วพอ ม, วมีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปก็ได้หรือพุทโธไปก็ได้แล้วแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนก็อแบบนั้นครับ ก็เมื่อไม่กี่วันก่อนมีโอกาสได้กาจะเข้าไปกราบพระอาจารย์แต่ว่าพอดีว่าผมบุญไม่ถึงก็เลยไปไปแล้วก็คือเป็นหมดช่วงเวลาแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะพระท่านก็เริ่อที่ทำวัดเย็นกันแล้วครับก็เลยไม่ได้ขอบเขตครับแต่ถ้ามีโอกาสอยากจะเข้าไปรับฟังธรรมกับพระอาจารย์สดๆครับก็ต้องมาตอนเชวงบ่ายสองโมงมาจาอาเดชกวางพระนะ ครับอาจารย์โอเคสาธุอันนี้คุเกตบัณฑิตคุณเป็นคนหลังได้ยินไหมอ่ามาแล้วอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วเออไม่มีคําถามเลยคนะรับอาจารย์อย่งไปนวนให้พระอาจารย์ท่านอยู่วันนี้เข้าไปครับแต่สัปดาห์ที่แล้วก็โชคดีหน่อยครับวันที่หนึ่งที่สองือเมษา เออหลวงเยื อ, อยนครับท่านบวชตามนักกที่วัดบวรก็ดได้ไปรนวดถวายให้ท่านสองวันครับอืแล้วก็หลวงพบนอีกสามวันเนี่ยก็เหมือนเราขณะนวารเราก็ได้ฝึกสมาธิไปด้วยครับฟังเหมือนมันต้องอยู่กับสมาธิในการวางมือวางใจนะครับครูอ า, านครับโอเค แต่ช่วงนี้อากาศร้อนครับวันนี้มาเจอหงพ่อหลวงปู่ท่านก็ก็พูดเหมือนกันว่าวันนี้ท่านไปดีนบำบาดตั้งแต่เช้าแล้วอากาศร้อนแล้วท่านรู้สึกเหมือนจะบียาการอภาพนี้นี้มีวูเ้เหมือนกันครับครจารย์ยันนี้ท่านยังเวียงไปเวียนมากับการดีนบาลบัดเว่าใช่เราก็ ย, ยังต้องช่วยเห็นวันนี้ท่านบอกว่าเออสทาท น, นสุขมาขอให้วัดพะบาทหลวงปู่ช่วยทําโครงการแบบรับผู้ป่วยจิตเตียงเอ่อที่แบบไม่มีญาติพี่น้องที่อนาถา เหมือนได้งานเพิ่มมาครับท่านบอแต่ก็ยังดีที่สาธารณสุขเขามีจิตอาสาแบบเขามีอาสามาช่วยหบสุดคนคถ้ามีสถานที่นะอ่าที่วัดมีอยู่แล้วครับมีเตียงตั้งแต่โควิดนะครับอืมอยากจะทกคนที่ป่วยทางทางเอเอชไอวีก็มีน้อยลงแล้วนะ ไม่ไม่ก็ไม่ย้อยพรัอาจารย์เพราะคนแต่เพียงแต่ข่าวมันไม่ออกแล้วก็มียากินที่ทําให้อายุยืนขึ้นพรับอาจารย์บางคนก็อยู่มาสิบปีแล้วบางคนมีครอบครัวมีลูกแล้วก็แปลกว่าลูกบางคนก็ไม่ติดไม่ติดเอชอวีครับก็อยู่ที่วัดไปเลยไม่ไม่กลับไม่กลับบ้านบางบางคนก็อยู่วัดเป็นแบบช่วยงานที่วัดบางคนก็ไปสร้างครอบครัวเองก็มีพรับอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อท่านก็ ทำโรงเรียนชื Chapter, like so er so like ่อตอนนี้คือเป็นของเป็นของรัฐบาลนะครับชื่อประชานุเคราะห์สามสามประชาโนุเคราะห์สามสาก็คือก็จะเป็นลูกของคนผู้ป่วยโรคเอดส์นะครับมาเรียนเด็กที่แบบถ้าเรียนที่อื่นอาจจะโดนโดนแบบโดนแกล้งโดนดแกก็จะมาเรียนที่นี่ก็โรงเรียนนี้จะมีเด็กแบบนี้ทั้งหมดเลยมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ติดเชื้อนี่ะใช่ครับท่นก็ดูแลเพราะเหมือนท่านก็ได้ช่วยช่วยแบบ เพราะโลคทากอ้อมครับก็เปิถ้าเด็กได้เรียนก็จะไปก่ออัเดกอนน้อยลงเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ว่าจะไปท่านก็จะแบบไปไปกับทางหมอบีทางอไปที่หัวหินครับอืมผมยังไม่แต่ผมติด ง, งาน ค, ครับอาจารย์ก็ยังวิ่บาถได้อยู่ปกตินะครับได้แต่ต้องนั่งรถแล้วไม่ได้เดินอผมเห็นในไลน์อยู่ครับว่าท่าผมเขาต้อง การเดินมันเมื่อยเหมือนปวดหลังเหมือนหลังแต่ท่านนั่แต่ท่นั่งไม่ปวดเนี่ยตอนนี้ตั้งมาสองชั่วโมงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ท่านเดินและยืนท่าข้านาทีนี้่ลำปวดนะอ๋อครับอาปาจารย์ได้ไปกายภาพมัาไม่ก็ทําเองนวดเองพอพอถูถ่ายไปได้ก็โอเคนะสบาย ที่ท่อ่านาชมเทียนครับพันอืรถ้าแข่แ ข, ขอให้ถาแข่พระอาจารย์แข็งเลยสาธุไอคุณที่จา้าคุณจามวิทยาเลยใช่ไหมวิยาหรอการข่าววิทยาค่ะวิยาอืมชื่อชื่ๆๆๆชอชื่อวิยาหรชื่อยาค่ะอืมที่เล่นจริงๆงจ้าค่ะไม่โทรแต่ว่า ก็ชอบพระอาจารย์เรียกจาได้ละค่ะเท่ <laughs> เป็นชื่อธรรมะก็ได้พระสังเกตมันไม่มีมันไม่มีไม่ไม่โทนให้เราพระอาจารย์คะวันนี้หนูมีคำถามเรื่องเดินจงกรมค่ะคือปกติหนูจะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ค่อยเดินทีนี้หนูรู้สึกว่า ตอนเช้าเวลาตื่นนอนถ้าเดิ น, นมันน่าจะทำให้หนูตื่นมากขึ้นก็เลยอยากจะลองทำอยู่ทีนี้เมื่อเช้าตอนหนูลองเดินแล้วหนูก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วหนูควรจะเอาความรู้สึกเนี่ยไปไว้เหมือนทุกครั้งที่ฝ่าเท้าแตะพื้นหรือว่าหนูควรจะเอาความรู้สึกไปจับที่การทรงตัวรอกทั้งตัวของร่างกายก็คือเหมือนแบบสแกนมันไปเรื่อยๆค่ะว่าแบบ ตรงไม้เท้ารู้สึกยังไงมือไขว้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงเราต้องทํายังไงล่ะไม่ควรนะเพื่อนแต่ให้เรารู้ว่าเท้าเรากำลังก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็พอโ <Okay. S 2> อเคค่ะอย่าไปคิดมากอย่าไปวิจัยอย่าไปวิเคราะห์เราต้องการที่จะทำให้ใจไม่คิดเหมนเราดูลมหายใจเนี่ยเราดูลมก็เข้าออกก็พอลมเข้ า, ล ม, ขาลมออกเวลาเดินแล้วก็ดูซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็พออืมหนูเคยได้ยินอย่างเรื่องตามลมพระบางท่านสอน ให้ตามแบบว่าตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ที่จมูกแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าอกตอนนี้อยู่ที่ท้องแล้วก็ถอยออกอันนี้ก็คือไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างงั้นมันก็มันมันจะทำให้จิตไม่เนิ่งถ้าไปตามมันอย่างนั้นโอเคค่ะเราต้องการให้จิตเนิ่งมันต้องให้มันหยุดจุดเดียวไม่ต้องไปตามลงให้ลมมันมาผ่านจุดนั้นให้เราตรงจุดนั้นจุดเดียวก็พอค่ะทีนี้เรื่องของการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์คือ ตั้งแต่ที่หนูมาเริ่มฟังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเห็นสิ่งต่างๆก็คือให้ปล่อยไปแล้วก็ให้คอยจับอยู่ที่พุโทโธแต่ว่าหนูสังเกตว่าเวลาที่หนูนั่งคือถ้าเวลาที่หนูนั่งไปสักทักหนึ่งหนูจะเริ่มเห็นเหมือนเป็นดวงแสงวนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเกิด ว, ว่าหนูตามแสงเนี้ยหนูจะรู้สึกสงบมากๆแล้วก็ มันจะไม่มีพุโทโธแต่หนูจะตามหนูก็ไม่ได้มีความคิดอื่นด้วยแต่ก็จะเห็นแสงเนี้ยค่ะทีนี้เวลาที่เห็นแสงเนี่ยทุกครั้งหนูก็จะตัดมันทิ้งเพื่อที่ว่าจะตามแต่พุโทโธตามที่พระเจ้าแนะนําแต่หนูรู้สึกว่าเวลาตามพุโทโธอ่ะมันหลุดง่ายมากสักพักนึงมันจะมีความคิดหนูก็ต้องคอยทิ้งความคิดแล้วก็เอาพุโทโธกลับมาให้มันเด่นใหม่ hmm. คำถามก็คือหนู ถ้าหนูตามดวงไฟนี้แล้วหนูรู้สึกสงบหนูควรที่จะตามมันต่อไปหรือว่าอันนี้มันเป็นกิเลสหลอกหนูคะเดี๋ยวหนูควรจะฝึกตามพุโทโธแทนคือเรื่องตามไฟนี้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยว่า ต, ตามแล้วมันจะสงบอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าเพราะมีกรณีที่เขาเล่าให้ฟังว่าสามเณร น, นั่งไปก็ดูมีดวงไฟเห็นก็ตามไฟไปพอมันลืมตายทตี้ยมาอยู่บนยอดไม้นั่น โอเคค่ะง oh, okay. <laughs> ั้นเราก็ต้องระวังว่าถ้าไปตามไปถ้าเราเป็ น, ปนแบบสลิปวอกไปด้วยหรือเปล่าอืมโอเคค่ะแต่แต่ถ้าเราไม่มีสลิปวอกแล้วนั่งเฉยๆแล้วทับใจสงบได้ก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็ น, ป น, ปนจากพูดโรมาเป็นการดูดวงไฟนั้นก็ได้ลองดูถ้ามันทำให้เราสงบได้ก็เป็นเหมือนจะเป็นการใช้กสินหรือใช้นิมิตเป็นอารมณ์แทนแต่ต้องระวังนะว่า อย่าไปตามแบบที่แบบแบบสลิปวอกะตามไปแล้วมาตัวเองเดินตามไปด้วยเลยไม่รู้สึกตัวมันลืมตายที่เอาทำไมไปอยู่บนต้นไม้ละอันนี้ก็ไม่เคยมีเขาเล่าให้ฟังเหมือนว่ามีมีแบบนี้ด้วยหรืมันก็อยู่ที่คนด้วยว่าดูแบบมีสติหรือดูแบบไม่มีสติอืมโอเคค่ะทีนี้หนูอ่ มีคำถามเรื่องอพระสูตรค่ะหนูอ่านพระสูตรอันนึงเมื่อวันก่อ น, อนแล้วมันมีกล่าวถึงค้าหบาดีท่านหนึ่งที่ถามพระพุทธเจ้าว่าระหว่างกายกรรมวจิกรรมกับมโนกรรมอะไรบากที่สุดเพราะว่าค้หบาดีท่านเหมือนเหมือนรู้สึกว่า กายกรรมน่าจะหนักสุดเพราะว่าได้ทําการกระทําต่อผู้อื่นการฆ่าเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้ววาจีกรรมรองลงมาแต่ว่าคําตอบของพระพุทธเจ้าคือมโนกรรมต่างหากที่หนักที่สุดแล้วท่านก็ยกตัวอย่างอยู่สี่อย่างซึ่งหนูอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจคะ่ะคือพูดถึงนิหนูไม่แน่ใจว่าอ่านว่านิคารนณะหรือนิครอนอะไรประมาณเนี้ยนะคะพูดถึงแบบเช่นว่า เอนิครนไม่สบายแล้วก็ทานน้ําเย็นไม่ได้แต่ว or or ่าต umm ้องทานน้าเย็นแล้วก็เนี่ยตัวอย่างเนี้ยท่านคิดว่ามโนกรรมหรือว่ากายกรรมหลักที่บาปกว่ากันอะไรประมาณนี้คะคือหนูอ่านยังไงหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยคิดว่าเผื่อจะมาถามพระอาจารย์ว่ากายกรรมวัจจิกรรมมโนกรรมอะไรมันหนักที่สุดหรือว่าหนักน้อยต่างกันยังไงอะค่ะคือความจริงกรรมทั้งหมดมันทําที่มโนกรรมก่อน ืจิตต้องคิดก่อนนล้ถึงเขไปพูดแล้วไปกระทำโอเคงั้นตัวที่เป็นตัวที่รับผลกนะ็คือตัวจิตนี่แหละตัวตัวมโนโนี่ยมโนกรรมเนี่ยเป็นพวกงั้นผู้ที่ทํากรรมที่แท้จริงก็คือจิตด้วยใจแล้วก็ผู้ที่รับผลกนะ็คือจิตที่ใจถ้าจะหมายถึงความหมายอย่างนั้นอกมก็คือตัวเริ่มเริ่มทุกอย่างเริ่มต้นที่มโนกรรม อช่แล้วก็ผู้ที่รับกรรมก็คือกัมโนนี่แหละตัวใจนี่เป็นผู้รับกรรมต่อไปใจเป็นผู้กระทำแล้วใจต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอังที่เราต้องบทสวดว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนี่หมายถึงมโนนี่ใจเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใจจะทํากรรมมันได้ไห้ใจก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปส่วนร่างกายกับวาจานี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้เป็นรับผลบาป ผล บ, บุญได้อย่างไดอือก็คือกายกรรมวจีกรรมจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ไไดนอกซะจาต้อมีวารณกรรมมันพูพ้พูดล็แล้วก่อ๋อทีนี้คําถามสุดท้ายตอนที่พระอาจารย์สนทนากับอ่าคุณหมอพิเช่เรื่องแล้วพระอาจารย์ก็พูดถึงราบยศสรเสริญสุขขึ้นมาคําว่ายศเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้จํากัดแค่ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ารางวัล ใช่ไหคะแต่คือพูดถึงยศในลักษณะฐ า, านะทางสังคมเช่นภานะแม่ฐานะาเป็นสามีภรรยาความรู้สึกอยากที่จะเป็นสามีของใครสักคนความรู้สึกที่จะอยากเป็นแม่นี่ก็ถือเป็นยศถูกไหมคะอว่าอย่ า, ายงนั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะไปพิจารณาแต่ถ้าที่เราคิดถึงหมายถึงสิ่งที่เขาให้เราไงเวลาเราไปทำงานก็ให้ตำแหน่งเรา ให้เป็นหัวได้มันก็ถือว่าเป็นยศได้แะยศที่เกิดจากการที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของของที่มันมันเสื่อไม่ได้ไม่เป็นแมาก็ต้องเป็นแม่ไปเรื่อยๆเป็นพ่อเราเป็นพ่อไปเรื่อยๆอือันนี้ถือ่าหรือเปล่าคะแค่เป็นแค่เป็นเหมือนบัญญัติเฉยๆว่าเป็นแม่ใช่มันเป็นสมมุติมอนเป็นสมมุติว่าถ้าเราไม่ลูกเราก็ต้องเป็นแม่เป็นพ่อ อ๋อโอเคค่ะไม่ได้เกี่ยวอาจจะ ไ, ไม่ได้เกี่ยวขอ้อไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับยนตยนตที่หมายเึ้งเช่นเราไปเป็นนายสิบไปรับราชการก็ก็เลื่อยนยศต์ให้เรายอย่างนี้มากกว่าอืมโอเคค่ะมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์สคือบางคนบางคนก็ดินด้นดนิ้นหลอยแทบเป็นแทบตายก็คุอจะได้ยศตจัดใช่ไหมในชั้นนะี้แล้วก็อย่าง้เช่นแม่แม่แตพายังดินน้นหลอยกันเลยรับยนต์ผันยศ ก, ก็ยังมี ค่ะแต่อำนาจอุเบกฐานี่จริงๆเลยค่ะพะอาจารย์หนูเองก็ประสบมากับตัวเองสมัยที่ทํางานบริษัทอ่ะค่ะแล้วก็ได้ตําแหน่งแบบการที่จะมีไทเทอรเนี้ยเขียนอยู่ใต้อีเมลตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นยศ <Hey, S 1> เป็นได้ hey, hey, hey. ค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันหายไปเองความรู้สึกว่าแบบแล้วยังไงอ่ะถ้าเป็นแบบเป็นดี렉เตอร์เป็นอะไรแล้วมาต่างอะไรกับแมเนเจอร์แล้วมันต่างอะไรกับเป็น ธรรมดาเป็นแบบไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอะไรก็เลยแรับใจเราสงบรับใจมันจะไม่ยหว่โหยกับพวกนั้นเนีค่ะมันเหมือนเราไปเห็นคนที่เขาอยากได้กว่าเรามั้คะ<ม>แล้วเห็นเขาแล้วเราแบบทาไมทุกจังทำไมดูดิ้นรนจังกับไอ้แค่ตำแหน่งแล้วเราเลยรู้สึกเหมือนแบบอ๋อเราแบบเรากำลังตามอะไรอยู่เนี่ยไรสารละอะไรประมาณมีดวงตาเห็นธรรม ละปัญหาของคนอื่นแทนที่จะพิจารณาตัวเองก่อนเอ่อ <c oughs> เป็นนิจจาอนัตตาไปใช่โอเคนะวันนี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับอันนี้ก็ไปที่คุณคุณลาต่อมีคำถามอะไรบ้างคุณลาวันนี้แบบน้ำมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามจากทางเฟ e b o o k และยู u b e เจ้าคา่ะสองคำถามแรกจากคุณเก่ง กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งมีบางเวลาที่ผมมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการเสื่อมและดับของร่างกายเป็นธรรมดาจิตไม่เศร้าหมองจิตสำคัญไม่ตายเราจะไปสู่ภพภูมิที่ดีและไม่ดีได้ด้วยผลบุญและบาปร่างกายนั้นดับแล้วก็ดับไปไม่มีความสำคัญอะไรพอคิดได้อย่างนี้ใจกระผมก็ผ่อนคลายและมีความเพียร มีสติและลึกถึงพุทโธได้มากขึ้นแต่บางครั้งใจก็รู้สึกกระเพื่อมจากสังขารที่ไม่เที่ยงรบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะการปฏิบัติด้วยครับก็พยายามเรินสมาธิให้อยู่เรื่อยๆอย่าอย่าปล่อยให้มันลืมไปพยายามคิดอยู่บ่อยๆพระเจ้าบอกให้พิจารณาอยู่เนืองๆเลยคำถามข้อที่สอง การที่เรากำหนดให้จิตอยู่กับความว่างถ้าทำได้จิตจะลงลึกกว่าการที่เราท่องพุทโธหรือดูลมใช่ไหมครับถ้าทำได้เราควรกำหนดให้จิตอยู่กับความว่างใช่ไหมครับมันแล้วแต่ละคนนะมั น, นพูดไม่ได้ว่าจะใช้อย่างไหนให้มันว่างมากน้อยกว่ากั น, นพุทโธนี่มันก็มันก็สามารถทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ งั้มันอยู่ที่ว่าเราทําแบบไหนได้หรือป่าเท่านั้นเองงั้นอย่าไปสนใจว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราทําแบบไหนแล้วทําให้จิตเรารวมสงบนิ่งได้ก็ใช่ได้นะคำถามต่อไปจากคุณแบงทําอย่างไรจึงจะเอาชนะคุณสาที่มากระทําเราทางจิตได้คะคุณสายมันไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อกันเท่านั้นเอง อามีสติแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราเคลย้ให้เราใจเราเสียได้พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆก็แล้วกันคุณถามต่อไปจากคุณนัทนันน์ปราบนมสการเจ้าค่ะถ้าเราลบภาพที่เราเคยแคปเอาไว้ซึ่งเป็นภาพคพะเราจะบาปไหมคะเพราะว่าโทรศัพท์จะเต็มเจ้าค่ะไม่บาปเราลบทิ้ง่ายหมดเลย แล้วการที่หนูถามแบบนี้บากไหมคะไม่บากหรอกไม่บากคำถามต่อไปจากคุณอูกราบเรียนถามพระอาจารย์พระโสดาบันสามารถร้องไห้แบบไม่ยึดติดได้ไหมคะและพระอรหันทร้รองไห้แบบไม่ยึดติดได้ไหมคะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็ร้องไห้แบบเล่นละครได้ถ้าไม่ยึดติดก็แบบเล่นละครก็เรียบเป็นกิริยา ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเปไมันน้เล่นละครไปคำถามสุดท้ายจากคุณสาวัลลนรัตนมัสการ์ค่ะขอถามว่าจิตใจวุ่นวายพยายามนั่งสมาธิค่ะแต่จิตก็ยังไม่สงบจะทำอย่างไรดีพุโทโธก็ท่องค่ะแต่ก็ไม่สงบค่ะก็ต้องต่อไปท่านนั้นอ่ะงั้นไม่ใช่นั้นก็เปลี่ยนมาบบสวดมนตน์ก่อนก็ได้ บางทีพุทธเรายังอาจจะมันยังจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้เรามีความจดจอ่อ่าเราใช้การสวดมนต์แทนไปมันอาจจะทำให้เราจดจ่อมากขึ้นมีสติมากขึ้นก็ได้แล้วมีใครเข้ามาที่หลังเลยคนปูหรือคนปูหรือพิวเจน น้นมันส ก, กัค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจอ ย, อยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะ่บางค่ ะ, คะดีว่าเสียงมันน่าจะติกันกับสองวิดีโ อ, อเดี๋ยวเดี๋ยว เ, เ, เราเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องหนึ่งออกนฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะะโอเคอเอลองพูดเลยฮะค่ะ ค, ค่ะค่ะพูดได้นะอยู่ที่ไหนกรุงเทพค่ะอาจารย์ หาหนูอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะชัดเจนนะชัดเจน ด, ดี่ากพอดีพอดีว่าหนูได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระอาจารย์มาหลายปีค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปกราบแต่ว่ามาตอนช่วงอ่านต้นเดือนเนี่ยค่ะหนูได้มีโอกาสได้ไปตักบาตรกับพระอาจารย์แล้วก็ ไปฟังธรรมแต่ว่าช่วงท้ายๆนะคะพระอาจารย์จำหนูได้ไหมคะจำไม่ได้แหละเพราะคนเยอะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าหนูไปกับน้องที่ทํางานที่โรงแรมสยามแอดสยามนะคะหลวงพ่ อ, อสยามที่กรุงเทพนะเลยอ่อที่อยู่ที่พัทยาค่ะอ๋อสยามเบชอเลยสยามแอดสยามค่ะอ๋อแอดสยาม Mm hmm. ใช่ค่ะพอดีว่าหนูไม่ไม่ได้พาลูกชายไปด้วยหนูก็เลยอยากจะให้แต่บกวนหลวงพ่อสอนธรรมะลูกชายเกีเ่ยวกับเรื่องศีล น, นะเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนพระลาหุนว่าไม่ให้โกหกให้พูดความจริงเพระาะการโกรหกนี้เป็นเหมือนลดท่าในตัวเราลงไปพระพุทธเจ้าตักน้ำขึ้นบรคันหนึ่งแล้วบอกลาหุน เวลาเธอโกหกเทนึงเนี้ยก็เราก็จะเทน้ําออกจากคันไปที่ระลึกเทนึงน้ํา น, นึงก็คืออความเชื่อถือของเราเวลาเราพูดโกหกไปแล้วต่อไปความเชื่อถือเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนไม่มีความเชื่อถือลงเรือยอยู่อีกต่อไปต่อไปก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อฟังเราพูดอะไรก็ไม่มีใครเขาเชื่อเราเข้าใจไหมถ้าอยากได้รับ รักษาเครดิตคือความน่าเชื่อถือของเราไว้เราต้องพูดความจริงอย่าไปพูดโกหกได้ยินไหมครับเข้าใจไหมครับครับขอบครับกี่ขวบแล้วเนี่ยพู ด, ดังๆหรอกสิบขวบค่ะอ๋อสิบขวบแล้วก็พ่อพ่ อ, อลาหุนเนะสกลาหุนบวชตอ น, น, นอายุหกขวบค่ะออย่าพูดโกหกนะถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก็ลับคุบปากไว้ ขอบคคุณ่หรือถ้าอ่ า, าพูดความจริงได้ก็พูดไปเลยยอมรับผิดดีกว่าอืาเนราทําผิดอะไรก็เขาถามว่เาเราทำหรือเปล่าทําเจ้าน้ำนี่ตกหรือเปล่าทําครับผมยอมรับไปเลยยอมรับโทษไปเลยดีกว่าดีกว่าโกหกแล้วทําให้เราเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือต่อไปค<ะ>นะเขใใ้าใจได้ย<ะ>ังครับอ่าดีนะครับแล้วนะไม่โกหกนะ <c oughs> น้องมีคําถามครับหลวงหลวงปู่น้องเมนถามน้องมีคามํ <c oughs> าถามว่าถ้าเกิดว่าหนูไปบวชเป็นเมนเนี่ยครับเมนจะสามารถกอดแม่ตัวเองได้ไหมครับอ๋อไม่ได้แล้วล่เพราะในนี่เป็นนักบวชแต่ต้องตัวผู้หญิงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่แล้วเป็นพี่เป็นน้องก็แต่ต้องไม่ได้นะ ไม่เป็นไรไม่ต้องกอดก็ได้มองหน้ากันก็พออย่อยู่ถามคำถามนี้ปลอกไก่ทำไมเหรอกลัวจะไม่ได้กอดแม่เลยพูดตอบสิลูกแม่เป็นไหมใเวลาเรากอดไม่กอดก็ไม่ไม่สำคัญหรอกหนูโตขึ้นหนูก็คงจะไม่อยากจะกอดแม่แล้ว่ะอยาจะกอดคนอื่นมากกว่า แต่ไม่ได้นะถ้าเป็นนักบวชแล้วกอดใครไม่ได้นะึงโดยเฉพาะเพศตรงข้ามกั้นกอดกอดไม่ได้เองครับค่ะอยากถามอะไรอีกไหมครับ อ, อยากถามน้ อ, <ะ>องปู่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนที่เขาทำอะไรที่ถามสรุปหนูอยากที่คําถามว่าสิ่งที่เพื่อนทํากับหนูที่แบบทําแบบไม่ดีเนี่ย มันตรงข้ามกับสิ่งที่หนูทำกับพ่อแม่หรือเปล่าคบอันนี้ก็มันไม่แน่ถ้าเราทำไม่ดีกับใครไว้ก่อนมันก็อาจจะกลับมาหาเราก็ได้ดนอยไปทำไม่ดีกับใครเข้าใจไหม<ะ>ทำแต่สิ่งที่ดีนะโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดีกับพ่อแม่ต้องทำแต่สิ่งที่ดีๆกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามาก นะถ้าเราไม่เราทําดีความดีมันก็จะกลับมาหาเราเราทําไม่ดีความไม่ดีมันก็คัดมันก็จะกลับมาหาเราก็นะไอ้คือเราไม่แค่นี้เนีย่ยถ้าเราไม่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดกับเราเราก็อยากไปทําไม่ดีกับใครเข้าใจไหมครับนะอันนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับป .6 แล้วครับป .6 ก<ะ>็เลยขึ้นป .6 พ่ออทำไมดูเหมือนตัวเด็กเหมือนเด็กสามสี่ขวบนะตัวเลขข็กค่ะหลวงพ่ อ, อน้องน้องเป็นลูกหลงค่ะแล้วก็ตอนตอนท้องหนูก็อ่าป่วยด้วยค่ะค่ะและ้วพอเกิดมาเขาก็แพ้นมแพ้เนยแพ้สารพัดเลยค่ะก็เลยตัวเล็กเลกแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้พูดพูดเสียงพูดแบบนีก ไม่ไมไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเด็กโตนะมันยังเป็นเด็กเล็อยู่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรนะพยายามหนูนพยายามทําความดีไปเป็นการไม่โกหกนี่ก็ถือว่าเป็นการกระทําความดีถ้าเราไม่โกหกก็จะไม่มีคนมาโกหกเรานะครับโอเคนะเด็กแล้มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะไหวไว้ไว้วหลังเนาะ มื่หลังเข้ามาใหม่นะมีทุกคืนวันพุธเข้ามาได้ทุกคืนวันพุทธทุกคืนวันพุธส อ, สองทุ่มสองทุ่มมาเข้ามาเร็วๆจะให้ให้ให้เริ่มต้นก่อนเลยถ้เาเด็กๆนี้จะให้เริ่มต้นก่อนค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งทุ่มคืนสองทุ่มสองทุ่มโอเคนะสาธุกลััสการค่ะหมดแล้วคำถามหมดแล้วอย่างงี้คำนามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเค